แสนตันคือจะช่วยไม่รู้ข้าเปื่อยหรือเข้าวสารนะอันนี้คือตัวงานงานนี้คือต้องทุกคนจะไปคิดงานอื่นอย่างอื่นไม่ได้แล้วแสนตันนี่ไม่ใช่ของน้อยถ้าตีสักสิบปีผมไม่รู้ก็วันนี้เราคุยกันสิบปีถ้าจะเอาสิบปีไหมว่าแสนตันนี่จะได้สักได้ได้ได้เท่าไหร่แล้วตัวศินจะเป็นยังไงสินสินที่สินที่แต่ละคนเนี่ยที่คุยกันมารอบหนึ่งแล้วก็ก็ตามนะครับแล้วก็ตัว วิชาตัวปัญญาของเราตัวลงกุตละเนี่ยเราจะยกใจเราไม่ใช่ยกสตังหรือยกข้าวแสนตันแสนอ๋อหายไปศูนย์อ๋อใช่ครับก็คือแสนตันก็อันนี้เป็นโจทย์ของพวกเราเป็นภารกิจที่ต้องไปถามพ่อท่านว่าแสนตันนี้เป็นกุศโลบายเพื่ออะไร เพื่อให้เรายกจิตให้เรายกศีลใช่หรือไม่ถ้าใช่ถ้าเราจะแบกของหนักเราก็ต้องซอมกล้ามเนื้อเราเหมือนนักยกน้าหนักใช่ไหมครับนักยกน้ำหนักเนี่ยก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อเราต้องมีให้ให้เอวแข็งไม่งั้นน้ำหนักทุ่มทับเราตายในทางด้านก็ร่างกายแต่ถ้าภารกิจอันนี้เป็นเรื่องภารกิจทั้งกายและใจกายคือการฝึกศีลพวกเราให้เข้มแข็งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องใจและกายเพราะว่าศีลนี้เป็นทั้งสองอย่างแต่ตัวบนคือตัวใจ ตัวปัญญาของเราเะั้นเราจะท่ามกลาง10ปีนี้เราจะค่อยยกคนไปแล้วสุดท้ายแล้วก็มีคนมายกเราเข้าลงแต่เราจะไปอีกที่หนึ่งของเรานะครับในโลกอุตตร拉ของเราก็ผมเลยคิดว่าอย่างนั้นเหลือเวลาอันไม่มากนักสําหรับพวกเราบางคนก็อาจจะเลยอีก30ผมก็คิดว่าถ้าถึง20ปีก็เก่งนะครับก็เอาว่าเราทั้งใช้ชีวิตเราแล้วก็ชีวิตที่พ่อท่านให้เรามาบําเพ็ญเพียรเนี่ยลองกําหนดตนเองซิว่า ในแต่ละสามปีสามปีสามปีเราจะได้เป้าอย่างไรทั้งทั้งตัวศีลตัวงานตัวปัญญาชัดไหมครับเพราะว่าไม่งั้นเราคุยแล้วมันไม่รู้ว่าจะได้อะไรเพราะว่าการตั้งเป้าเนี่ยผมก็เป็นคนตั้งเป้าในชีวิตทางโลกนะครับว่าอายุ30ไวัยกลางคนคนจะต้องได้อะไรอายุ 4, สีบบ่ประมาณสีวัยกลางคนเนี่ยผมจะต้องเป็นอะไรแล้วนี่วัยกำลังวัยปลายแล้ว วัยปลายเราจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนวัยปลายก็คงรู้ว่าทิศทางสุดท้ายคือเข้าลงทุกคนแต่ก่อนเข้าลงเราจะทําอะไรกันก็ต้องตั้งเป้าให้ตัวเองแต่นี้เราต้องเป้าให้ตัวเองอีกครั้งเพื่อในชีวิตร่วมกันของชาวโสกนะครับไม่ใช่เป้าของแต่ละคนเพราะว่าโดยเฉพาะชาววรณบอก็คือว่ามี3ตัวเนี้ยศีลงานวิชาจะเด่นจะเข้มจะเก่งใ น, นระดับนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวลองดูซิว่าเอ๊ะสปีนี้ถ้าเราผมตงกตาก็คือว่าคิดสักสักสมปีแล้วเดี๋ยวค่อยแต่และฝ่ายก็ไปถอนเป็นเป็นหลายปีเป็นหลายเดือนเป็นหายเช่นึกออกไหมครับก็ค่อยไปถอนแล้ว เ, เดือนนี้ทําไหวไหมทําไหว เ, เดือนหน้าค่อยเพิ่มแล้วเดือนเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นวันใช่ไหมครับก็ถอนอย่างนี้มันก็จะไม่เฮไปเฮมาเพราะทุกคนมีเป้าใหญ่ก็คือว่าสามเหลี่ยมนี้ตัวนี้แสนตันตัวนี้ศีตัวนี้โลกุตละแล้วก็ถอนมาตรงนี้จะได้อะไร ปีที่สมปีไปแล้วได้อะไรปีที่หได้อะไรเจถึงสิปีได้อะไรก็จะไปนาเสนอพอท่านด้วยกันในหมู่ชาวศกว่าเราก็ต้องไปคุยกับคนที่ไม่ได้มาร่วมเป้าว่าเอเราจะช่วยกันยังไงเพื่อเรามันต้องไหว้ถวนน้ําึดฮึดฮึ ด, ฮดไปด้วยใช่ไหมครับพอท่านก็จะให้จังหวะแล้วก็มีการติดตามผลไหมพอท่านก็อยู่ที่นี่แล้วถ้ามาเราคุยกันว่าต้องมีการ มีคณะกรรมการกลางก็อาจาจะเอาจากราชธนีที่เราคุยกันเป็นทั้งทุกทุกอโศกแล้วก็สมนาไปอยู่ข้างในใช่ไหมครับก็เป็นองค์กรผมใช้ว่าคําว่าองค์กรกลางที่จะเป็นขบวนการชุดใหญ่เพราะพวกเราเาจาหลักจากหลายอาโศกใช่ไหมครับจากหลายพื้นที่ตอนนี้ในการติดตามก็ จ, จะมีเวทีแบบนี้กาติดตามเป็นระยะไม่รู้ใครจะรับผิดชอบเรื่องการฝ่ายการศึกษาก็คือว่าเอ๊ะเมื่อตังเป่าแล้วเนี่ยเมื่อพอท่านให้นโยบายติดตาม ข อ, ของนี้เป็นองค์กรติดตามแล้วก็ชื่นชมให้มอบรางวัลให้สมมุติเป็นอย่างนี้นะครับก็องค์กรนี้ก็รวบรวมหลักฐานถ่ายภาพอะไรเก็บหลักฐานด้วยวนี้ต้องมีตัวชีวัดคนที่จะบันทึกว่าพวกเรากำลังเดินบน3เส้นเดินบน3เส้นเส้นงานแสนตันมีข้าวสารให้ข้าวสารแล้วข้าเปลือกเอาไปสู่ชาวเมืองแล้วเอาให้ชาวนาที่ส่งข้าวสารเข้ามาอย่างที่เราคุยกันเนี่ยต้องเป็นข้าวที่ไม่มีสารพิษเป็นข้าวปลอดสารพิษเป็นข้าว ินทรียนี่เป็นภารกิจที่เราต้องร่วมกันในเรื่องงานอันนี้ร่วมกันเพื่อในยกจิตของเราโดยเพพาะในชาววนบอเนี่ยขึ้นไปให้ได้คะแนนขาดที่เราต้องลดศินที่เป็นกิเลสลงแล้วก็เพิ่มสินที่เป็นอัติศินให้ได้ใช่ไหมครับก็ทั้งลดทั้งเพิ่มเพราะนั้นเส้นทางการเดินนี่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้มันกาหนดร่วมกันว่าถ้าเราจะไป็สามเหลียมพวกเราเนี่ยแล้วเราจะไปสู่ตรงเนี้ย ลองคิดดีว่าผมจะลองถามนะครับซึ่งผมไม่เคยทาเหมือนกันเพราะว่าว่าเป้าหมายเนี่ยถ้าสิปีเนี่ยมันจะเอาทีละเอาเป้าจะเอาเอาเป้าใหญ่ก่อนไหมครับอยากเป็นอยากมาอยู่ตรงนี้ยังไงเชิญ<อ>ครับเอาเป้าใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยถอนมาว่าเอซักปีที่หจะเป็นยังไงเป้าค่อยๆจะได้มีกำลังใจเพราะว่าถ้าเห็นเป้าใหญ่มันไม่รู้จะไปยังไงเพราะเราจะได้ใช้เช็คว่าเรามาถูกทางไหมอย่างนี้ถ้า ถ้าสมมุติเรายอมรับกันมัจะเอาแสนตันข้าวเปือกแล้วก็สายก็แล้วแต่ตกลงกันก็ค่อยถอนมาถอนมาถอนมาถอนสักสองครั้งแล้วก็ไปถอนย่อยๆเอาเองมันก็มีเป้าคนตามจะได้ตามถูกนึกไหมนึกออกไหมครับเวล า, าฝ่ายสมณะ ห, หรือฝ่ายกองกลางก็จะได้รู้ว่าทิศทางเราเดินมาถูกแล้วเพราะมันได้ผลก็วัดกันที่ผลใช่ไหมครับว่าในด้านงานนี่เราทํางานเป็นรูปธรรมคือข้าวเราย้ายข้าวไปจากชาวนาไปให้ชาวเมืองได้ ครบแสนตันสมมุติอย่างนี้ครับอย่างผมเนี่ยผมใช้เป้าผมยกตัวอย่างเลยผมมีเป้าตรงนี้ตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องออไม่ได้เน้นพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าแต่ผมเน้นบอกเฮ้ยต้องจิตอาสาเนะืเพราะว่าเรามีร้อยคนเองถ้าไม่อาสาตายแนย่ผมก็เรียกร้องให้ทุกคนบุกระดมให้ทุกคนจิตอาสากอบผู้ ก, อ, กอบอบ้านคุมเมืองกันด้วยเงินประมาณตอนห้าพล้านแล้วก็รายหลังก็ไม่มีอีกจากกองทุนอืน่นก็เป้าเราคือสี่ปีต้อง ย้ายเงินจากกรุงเทพไปให้คนชนบททั่วทุกจังหวัดลงไปถึงทุกอำเภอให้ได้แล้วในสุดก็แล้วแต่ทุกอำเภอไหมก็เกือบทุกแล้วก็ได้หลายตำบลแต่ไม่ทุกอำเภอแต่เราทุกเชื่อเราเรามีหลักฐานวนะ่าทุกจังหวัดเพราะเราตามด้วยคอมพิวเตอร์สมัยนั้นมันเราพอมันเรามีเป้าทั้งเวลา ทั้งจำนวนเงินแล้วถพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็ถอนมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็จะดูว่าทุกเดือนผมได้ไม่ได้ไม่ได้ผมก็ติวเข้มพักพวกติลพอไม่ได้อี ก, อกคนร้อยคนทําไม่ไหวเอาทุกจังหวัดเลยเอาก็เอาภาคก่อนเป็นสิบเอสองภาคก็ไปทุกจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาชาวส ก, ก็ต้องหายุทธศาสตร์เองหากลวิธีเองนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างว่า <c oughs> เดียวนะครับ <c oughs> ว่าวิธีการถอนเป้าภายใต้ เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเพราะว่าผมก็อาสาบอกว่ารัฐบาลมีเงินบอกตอนนี้ต้ยมยำกุ้งเกิดมีเงินกู้ธนาคารโลกมาห้าพันล้านจะทําไงใช่ไหมครับเราก็ถ้าเราตกลงว่าเรานี่คือเป้าอันนี้เรื่องเป้าเรื่องงานนะครับนี่ถ้าเป้าเรื่องที่สีน้ําเงินนี่ก็คือเป้าเรื่องตัวศีลศียของพวกเราเนี่ยอย่างน้อยต้องบอกเพราะท่านได้ว่าชาววอนบอจะมาถึงตรงนี้ได้อะไรพอมาถึงปีที่ปีที่เท่าไหรครับปีที่หกจะได้อะไรปีที่ หลังปีที่6กนะว่าปีที่10เพราะท่านบอกว่าถ้าอย่างงั้นอาตมาจะค่อยสอบอารมณ์หรือสอบผลงานไม่ใช่สอบเขียนท่องจํานะสอบอารมณ์เหมือนอครับสอบสภาวะนี่ก็เราก็พร้อมจะเติบโตทางด้านศีลหรืออะไรที่ลดได้อะไรที่เพิ่มได้ส่วนอันนี้ที่เราว่าอธิ จ, จิตเราอยากเป็นอธิปัญญาก็ต้องกําหนดกันท่นนี้ผมก็ถามว่าเราจะกําหนดจากตรงนี้ไปแล้วค่อยๆถอดลงมาเป็นไงเอาไหมครับเรื่องเป้าหมายเชิญครับ ก็การเรียนทําท่านอาจารย์นเนศนะคะแล้วก็พี่น้องทุกคนค่ะในด้าไปลายที่ท่นดูวงกลมที่อาจารย์เขียนเป็นโลกุตตละแล้วก็ศีนแล้วก็แสนตันเลยนะคะก็อพอพิจารณาไปแล้วก็อยากจะขออนุญาตเรียนเสนอแบบนี้นะคะว่ า, าถ้าจะในแนวคิดที่เรียนจะจะมีความคิดที่จะนําเสนอนะคะ ในส่วนของสีนะคะถ้าเราเอาสามโลกมาเทียบเคียงตรงนี้นะคะสามโลกของที่พ่อครูได้นาเสนอให้พวกเราเรียนรู้นั่นก็คือในเรื่องของโลกุตระโลกวิทูและโลกานุกรรมปายะค่ะถ้าจะเอามาเป็นสามเส้าในภาพตรงนี้นะค ะ, ะข้าวแสนตันนั้นจะเป็นเรื่องของของกิจการหรือการที่เราจะ โลกานุกัมปาให้กับสู่สังคมนะคะเพื่อที่จะบริการเข้าแสนตันให้กับสังคมโลกนะคะในส่วนของศีลที่ท่านอยากจะขอให้เป็นในเรื่องของโลกุตละค่ะค่ะศีลนี้จะจะพัฒนาเราไปสู่โลกุตละนะคะค่ะส่วนโลกุตละนั้นจะเป็นมาจากสายที่เชื่อมมาจากคําว่าวิชา เพราะฉะนั้นโลกุตระของท่านอาจารย์ดิฉันอยากจะเรียนเสนอว่าน่าจะเป็นโกลกาวิธูใช่หรือไม่ค่ะอันนี้ก็อยากจะให้อยากให้กับเพื่อนๆนิสิตได้ลองลองพิจารณาด้วยนะคะว่าจะถูกต้องหรือไม่ไม่ต้องเลยครับนี่ท่านอาจารย์บัญญัติไปตั้งนานแล้วครับผมแต่ผมยัเป็นขชาวพูดที่ครับก็แต่ว่าต้องกําหนดให้เป็นรูปธรรมเพราะว่าอันนี้เป็นเป้าด h a ธรรมแต่ะแต่อชาวโลกเข้าใจใช่ไหมครับค่ะ อันนี้มันจะเอาเคครับสามาโลกลวิธูโลภตจระแล้วก็โลกาตุกัมปาค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายาใช่ไหมครับก็อย่างนี้ก็จะสอดคล้องกับที่ที่พ่อครูได้ชี้ น, นามาตลอดค่ะ่าสมมติรเราได้เป้าเป้าเป้ า, ปานามารมแต่ว่าอันนี้จะวัดได้ยังไงครับสมมุติผมว่า เอยากใจเพื่อนเพื่อนนิสิได้ช่วยกันคะคะว่ามันจะวัดเป็นรูปธปรรมได้อย่างไรเพราะถ้าข้าวแสนตันมันวัดง่ายใช่ไหมคะพอครบแสนตันอันนี้ อ, อันนี้โลกานุกัมปาเราก็บอกว่า1มีแสนตันที่เมื่อวานคุยกันเราบอกมีกี่จังหวัดครับเจ็ดสิบเจ็แล้วข้าวแสนตันต้องเป็นอะไรครับอินทริสิตข้าวไรสานพิษค่ะ เ, ออเดี๋ยวขอสมัคร2คนด้วยเราช่วยเขียนบัตรคำแล้ติดบัตรคำว่าตัวชี้วัดแต่ละช่วงเป็นอย่างไรนะครับ แต่นี้เอาเราตัวปลายก่อนอันนี้ก็มีมีอะไรบ้างครับตัวโลกาโนกัมปาเนี่ยเราเน้นเรื่องคุณค่าใช่ไหมครับก็เป็นก็เป็นค่ะคุณค่าต้องได้ให้กับให้กับปริมาณก็ต้องได้ค่ะคุณค่าบุญนิยมเนี่ยคุณค่าบุญนิยมนี้ต้องไปถึงทั้งทั้งชาวนาทั้ง77จังหวัดใช่ไหมครับ7จ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วก็คุณค่าเรื่องเรื่องเรื่องบุญนิยมเรื่องชีวิตเรื่องสุขภาพค่ะคุณค่าเราต้องไปให้ได้ที่เราเราดมมาแล้วเรื่องอะไรครับ เ7เก็เรื่องของของบุญนิยมเรื่องของอชีวิตเรื่องของสุขภาพคุณค่าเหล่านี้ต้องไปถึงรวมทั้งข้าวตัวข้าวใช่ไหมครับแล้วก็คือตัวข้าวต้องอินซีอินซีแล้วก็บวกความรู้ที่เราเห็นปัญหาชาวนาเยอะแยะไปหมดครับคือตัวความรู้ที่เราต้องออกไปส่งเสริมเขาควบคูก่กันกับเรื่องบุญนิยมของเรานะครับ อันนี้ก็สมมุตินี่เป็นตัวอย่างเลยครับว่าพอพูดถึงโ ล, โลกาลุกคมปาใช่ไหมครับเราก็มีรูปธรรมที่เราคุยกันมาแล้วจากข้าวเนี่ยเราก็กําหนดว่าที่เราคุยกันมามันเห็นตัวชีวัดชัดไหมขึ้นไหมครับเป้าปลายเราอยากไปให้ถึงแตนี้โลกุตละแล้วครับผมอัน น, น, นี้อันนี้อันนี้อันนี้จะเพิ่มอะไรไหมครับ เ ป, เป้าสุดท้ายนะั้นเดี๋ยวค่อยถอนมาเจ็เราจะทำภาคอีสานก่อนเพราะลาดทานิอยู่ที่อุบลค่อยๆแล้วก็ภาคอื่นจะขยายยังไงค่อยเดี๋ยวค่อยทอนออกไปนะครับเจงดสิบเจ็ดจังหวัดเรจะเป็นเครือแห่ด้วยนครับแล้วใ น, ในนี้ก็จะมีศู น, นย์สอูยศูมีศูนย์เรู้ของที่อยู่เป็นพันธมิตรกับอโศกด้วยใช่มครับใช่ เ, เายสู่รู้ยังค ร, ครับเดืองและใครคต่อไปเนี่ยใช่ไหมครับ ก็เดี๋ยวไปขยายความมีไหมครับยกตัวอย่างว่าโ ล, โลกานุกกรรมปามีไหมครับที่เราคุยกันผมตกอะไรไหมครับจากเมื่อเช้าน่าจะไม่ตกนะำเพราะเราคุยเรื่องหลวงสีไปเราก็เห็นภาพนี้ชัดใช่ไหมครับภาพโลกานุกรรมปาจากหลวงสีแต่เรายังไม่ได้กําหนดเป้าว่าแสนตันเนี่ยจะเอาอยัางไงก็เป็นเป้าอย่างนี้แล้วกันนะครับย้อนไปเป้าแสนตันนี้สู้ไหวนะ อันนี้ผมไม่รู้ด้ว่าต้องอต้องทำเล็เล็กเล็เลเลแสดนี่มาจากใครมาจากพ่อตันใช่ไหมครับว่าเป็นแสนว่าใช้เล็กแสนตันเลยแต่เข้าเปลือกและข้าวสารก็เอาว่าเป็นตันอย่างน้อยข้าเปลือกด้วยอ๋อข้าเปลือกนะครับก็ก็ไม่พอเราก็ต้องเอาเป้ายึดไว้ยึดไว้เพื่อจะถอนมั <c oughs> ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เตรียมไว้เตรียมไว้ว่าขอสบักสักสองท่านตอนนี้เป้าเราเอาที่นี้ก็อนเป้าเดี๋ยวค่อยดเูเป็นว่าทั้งสามเนี่ยทั้งสามโลกาเนี้เราจะมีเป้าตอนนี้มาโลมี ม, มีโลการโน ก, กัมปามีมีใครจะเสนออะไรเพิ่ม ม, มีไหมครับจากที่คุยกันมาผมตก ล, ล่อะไรเรื่องสื่อเรื่องอะไรไม่ใช่เป้าเป็นวิธีสื่อก็คือจะไปลุกไปอะไรนะไปเพิ่มคุณค่าใช่ไหมครับแต่เป้าคือเราต้องให้คนได้ซึ้งได้เข้าถึง ได้เข้าใจถึงคำว่าข้าวของเราเป็นยังไงแล้วข้าวเราเป็นบุญนิยมยังไงไม่ใช่เห็นข้าวก็เป็นข้าวเหมือนคนอื่นอันนี้พวกเราก็ต้องไปให้ความรู้และให้การเข้าถึงครับไม่แน่ใจในเรื่องของเครือแห่ที่เป็นชาวนาค่ะครับเขาก็จะชัดเจนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ใช่มีความชำนาญมีความเข้าใจเข้าถึงก็เน้อินทรีย์อินทรีย์ลยนะคะอันนี้เครือแห่นี่นี่คนนี่คือ สิ่งที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการผิดไปเป็นอินซีแล้วก็ต้องรู้คุณค่าของอระสุนที่จะไปส่งเสริมแต่การเป็นอินซีนี้ต้องไปส่งเสริมได้อย่างเรื่องย่าเรื่องอะไรอย่างที่คุณลุงว่ามื่ก่อนมีท่านหนึ่งบอกมันต้องออกไปลุกใช่ไหมครับออกไปขยายไปตั้งศูนย์ไปอะไรไปให้ความรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องเอาว่าอินซีคุณค่าแล้วก็เครือข่ายแล้วถ้าเป็นโครงการทํานาและข้าวนี่ยังอยู่ในตรงนี้ได้ไหมคะเป็นวิธีการ <c oughs> นี่เราเป้าวิธี วิธีเราก็แม้ว่าเนี่เราพูดคําว่าเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาพูดตัวชีวิตจนว่าข้าวแรกนะมันเป็นยุทธศาสตร์หรือเป็นวิธีการที่เราผ่านไปแล้วนะครับนี้พอใจยังครับโลกานุกกำปามีท่านี้ฟังเมื่อเช้าลวงเสีเนี่ยมีตัวคุณค่าซึ่งออกมาสําคัญมากใช่ไหมครับแล้วตัวความรู้นี่เราให้ออกอินซีนี่เราจะให้ความรู้ไปด้วยเพราะฉะนัไอตัวให้คุณค่ามันก็จะไปกับตัวไปก็แล้วแต่ต้องอะไรอยา ใช่ไหมครับแต่ว่าการให้เรื่องคุณค่าต่อต่อมวลมนุษย์ของเราหรือต่อชาวนาของเราที่เป็นผู้ผิดข้าวสารเนี่ยแสนตันเนี่ยจะสําคัญแล้วก็ให้เป็นเครือแหะกันเพื่อกับสูนเรียนรู้ก็อยู่ในนี้ก็บอกว่าอันนี้เราคงไม่ต้องตั้งเป้านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครบ้างจะยกตัวขึ้นมาได้อย่างใช่ไหมครับก็เราก็ไปดูตจะมีเยอะมากเท่าที่ผมมีประสบการศูนยเรียนรู้เราก็ไปดูว่าจะเป็นพันธมิตระระดับไหนเป็นแนวรูประดับไหน ก็เอาว่า3าอย่ากเป็นเป้าของกรโสกแล้วกันเครือข่ายเครือแหที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ในี่ยนะคนไปด้วยนอกนอกกระโสกบุญแล้วก็อินทรีย์กับความรู้ที่เราจะให้แล้วก็สุขภาพนะครับก็อยู่ในในิคุณค่าบริการนี่เราอาจจะไม่ให้เป้าเรื่องแสนตันเพราะว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่เราต้องเอามาถอนนะครับก็เอาสัก3ามสี่ประเด็นคือ3มเรื่องคุณค่ากับเรื่องเครือข่ายกับเรื่องอินทรีย์แล้วจํานวนคือแสนตัน ก็สี่ตัวนะครับตอนนี้ตัวโลกะโลกุตตะละครับผมไม่ได้เป็นนักศึกษาผมก็เลยไม่ตอนนี้ต้องคิดเป็นรูปประธรรมอย่างเนี้ยก็คงเพิ่มศีลแต่ละคนที่มาศึกษาธรรมะเพิ่อาทิศีลอาทิตจิตอาทิย์ปัญญาสตัวสามตัวนะครับตอนนี้มันเป็นนามธรรมาคํารวมอาทิตศีลคือ จากศีลห้าก็เป็นศีลแปดอ่าเนี่ยผมได้เขาตอนนี้ต้องพูดให้ผมเข้าใจถ้าผมไม่เข้าใจข้างนอกก็ไม่เข้าใจว่าโศกเป็นยังไงเป็นมนุษย์ต่างดาวมามาอยู่ที่เมืองมนุษย์ในโลกนี้หรือเปล่ามันบอกว่าถ้าบอกว่าสื้อกับผมอ๋อจะจะลดศีลจะอะไรจะมีศีลเพิ่มขึ้นคจากศีลอะไรครันศีลเพิ่มจากศีลห้าก็เป็นศีลแปดอ่าจากศีลแปก็เป็นศีลสิบนะคะเพิ่มเพิ่มไปเท่าไหร่ครับจากจากอะไรครับเพิ่ม เพิ่มขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับสุดท้ายพวกเราคิดว่าของคารวาสก็สินแปดค่ะโอ้ไม่อย่าไปถึงพระผมบวชมันไม่มีทางครับเพราะว่านั้นเราทำไม่ได้ด้วยเอาเอาแค่ที่สินคือินปค่ะสินแปดเพิ่มจนได้สินแปดนะคืออทิศีนะอันนี้อันนี้เขเข้าใจเพราะว่าสินแปดทุกคน แวเข้าใจว่าอะไรบาถ้าศีลหบริสุทธิ์นี้ก็โสดาบันะจะไปถึงศีล8ปและศีลห้าศีลหบริสุทธิ์แล้วศีลห้าบริสุทธิ์ค่ะศีลห้าอ๋อมีห้าสองอย่างเลยนะมันจะละเอียดขึ้นนะคะแต่นี้เราเราตั้งใจจะจะมา1ิปีข้างหน้าเราจะเป็นถึงห้าอะไร อันนี้เป็นการที่ฐานจิตนะแล้วก็จะทุ่มินหรือไม่ถ้าไปไม่ได้ก็เราก็ทุ่มสินะอันนี้เท่าไหร่ครับสินแปไม่ไม่ไม่ใช่มาเอาเอาเป้าที่เรียนมาใส่นะครับเอาที่เราจะมุ่งมั่นไปให้ได้จริงมุ่งหมายเราสินปบริสุทธิ์10ปีหเบื้องต้นนี่ก็คือเออเากินเนื้อสัตว์อยู่นะครับถ้าสูงขึ้นมาก็กินมังสวิรัต พื้นฐานกับหบริสุทธิ์นะตอนนี้แม้ความเราจะไปถึงทั้ง2 ถ, งถึงถึงบริสุทธิ์เลยใช่ไหมครั บ, อ, บรอันนี้เลยนะพวกเรากําลังมุ่งกันจะได้ผมเข้าใจว่าเมื่อเราอธิษฐานจิตเนี่ยมันจะมีพลังชนิดหนึ่งเคลื่อนใช่ไหมครับขับเคลื่อนตัวเราแล้วพวกเราต้องใช้พลังอันนี้เพราะว่าเป็นงานใหญ่มากทั้งตัวเราเทั้งทั้งอโศกทั้งหมดมันเอาครับก็จะมีระดับที่3ามรือตัวชีวิตที่สครับ มีไหมฮะที่เจ็ดว่ายังไงครับศินสินสิบด้วยก็ได้ตัวเจนะครับอ่สินแปดเจ็ดตรงอะไรอ่ะทเจ็ดเนคือต้องต้องต้องเคลียวมาครับสูงจิตใจสูงขึ้นน่ะคือมีมีมีสมาธิเพิ่มขึ้นนะมี คือคือทุกคนที่ปฏิบัติจะรู้ตัวเองว่าตัวเองขนาดไหนค่ะอันนั้นจะเราจะจะพูดใจนิ่งมากขึ้นเราจะพูดไม่ได้ครับเมื่ออันนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานเมื่อวันสื่อเนี่ยเห็นบัตรบัตรคำเยอะมากเลยอารมณ์อารมณ์อารมณ์อ่อนไหวเลยคือการปฏิบัตินี้ของแต่ละคนจะรู้ตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าเราพูดพูดใจนิ่ใจเราทําไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็สงบ อารมณ์ตัวเองให้ชัดเจนนะคะแล้วอัตราล่ะในบัตรคำก็มีเยอะวันแรกอ่ะอัตรากันอัตราเป็นไงพ่อสอนให้มนัสิการตลอดเวลาคือรู้จิตตัวเองตลอดเวลานี่ผมเพียงแต่ผมอาจจะบัตรคำไม่ผมไม่ไม่มีฌานที่ไปไม่มีความอย่างรู้ที่จะได้อ่านจิตทุกท่านนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องอัตราใช่ไหมอัตราเราจะเป็นไง คืออัตรานี่จะลดลงไปสักเท่าไหร่ครับสมมุต <100 S 1> ิว่าร้อยหนึ่งลดไปเท่าไหร่ลดศูนย์นี่ก็ผมเตรียมลงให้เลยข อ, ขออนุ ญ, ญาตนะคะอาจารย์คขออนุญาตค่ะคือคําว่าอัตราเนี่ยมันเป็นความเป็นตัวตนระดับกลางนะคะคถ้าระดับต้นๆ้นเราเรียกว่าสักกะยะก็คือตัวใหญ่ๆนะคะมันเป็นกิเลสตัวใหญ่ๆหยับหยาบนะคะส่วนอัตตานี่เป็นขนาดกลางๆนะคะ่ะ อันนี้ประเด็นคือเอาละผมไม่รู้แล้วที่ผมรู้เนี่ยตอนนี้มีปัญหาในกลุ่มเนี้ยอัตตาค่ะกําลังจะบอกอาจารย์ว่าคําว่าอัตตามันหมายถึงความเป็นตัวตนเช่นยึดในทิฐิของตัวเองยึดในความคิดของตัวเองการยึดตัวตนค่ะอันนี้ประเด็นผมจะถามว่าตรงนี้จะทํำยังไงเพราะว่าปรากฏในบัตรคำไม่น้อยที่เป็นเป็นประเด็นร่วมกันแล้วทั้งอารมณ์ทั้งการไม่งานมันไม่อะไรมันไม่คล่องใช่ค่ะ ยืดความเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรทํานองนี้ค่ะไมน่นสิผมเพิงถามว่าตัวชี้วัดเนี่ยมันจะวัดจะไปถึงไหนจะลดลงได้อย่างไรลดแค่ไหนสมมุติร้อยหนสมมุติร้อยเปเนี่ยจะลดไปเท่ า, ทาไหร่ที่พวกเราคิดว่าจะตั้งเป้ามันมันเป็นนามธรรมานะคะอาจารย์<ช>ถ้าเราเอามาตีเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะบอกเป็นตัวกําหนดอย่างนั้นมันก็จะยากนิดนะะึงค่ะ รถไม่ได้อีกสิบปีผมมาฟังก็จะมีเรื่องอคนนี้ไม่ฟังคนนั้นเมียตาอยู่คนที่มมวัดมันวัดไม่ได้ค น, นคนที่มีอัตาน้อยก็จะไม่มีเรื่องอทะเลาะเบาแวงง่ายอย่างนี้จะพอเข้าใจไหมคะอย่างนี้จะพอได้ไหมคะคือมันจะมีมีความขัดแย้งน้อยลงอย่างนี้ได้ไหมคะก็มีความเป็นหนึ่งมากขึนข้นค่ะมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าพูดเป็นในเชิงรูกประปธรรมนะคะเอกภาพของชาวโศ่ค่ะใช่ค่ะ <little> ถ้าถ้าเป็เปอร์เซ็นต์ก็ใช้คำนำามทำแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะมันก็ไม่น <c oughs> ่าพูดถ้ า, าถ้าพูด เ, เ, เป็นเปอร์เซ็นต์นเป็นตัวเลขมันจะยากคนเป็นเรื่องของนมามธรรมเอาเอาว่าเอกภาพคครับุยกันว่าใครจะสอบอารมณ์พวกเราหรือไม่ครับใช่ <c oughs> เพราะว่าสอบงานนี้ก็คงว่ากัดไปกรรมการแต่ละชุดแต่สอบอารมณ์นี้พวกเราสอบเองไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีความเป็นสมณะใช่ไหมครับนั้นคมเราก็หาเลยกันว่าเอก ไม่ใช่สอบลงคือรู้ว่าใครพฤติกรรมไปถึงไหนคือเพื่อ น, นที่อยู่ใกล้เคียงนี้จะรู้ดีนะคะว่าใครลดได้มากได้น้อยแล้วตัวหนึ่งก็คือคนที่คบคุ้นกันนะคะแล้วก็ผู้ที่มีศีลสูงกว่านะคะค่ะเอามีอะไรอีกไหมครับที่อยากจะวัดอา่เอาเชิญครับใหมโลกุตระเอาว่าเรื่องอธิศีลนะ เ, <อ>เปิ ด, ดตาําราดูนะคะบอก วเอาเอาตำรามาบอกผมไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าต้องไปรายงานพอท่านแล้วพอท่านจะใช่ค่ะที่พ่อท่านสอนแต่จำไม่ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> คือเอาวันหน้าเก้ามาเป็นตัววัดนะคะว่าบุคคลที่ที่บรรลุศีลแล้วน่าจะมีลักษณะเก้าอย่าง เป็นคนเลี้ยงง่ายบํารุงง่ายมากน้อยกลา้าจนสันโดดขัดเกลา้าก็คือเอาวรนาเกล้ามันเป็นตัวเป็นตัวต ว, วั ด, วดพฤติกรรมะนะคะตัวชี ว, วัดตานี้วานาเกล้านะอ่าแล้วอะไรอีกครับ อ, อันนี้ตอนนี้จะวัดแค่ไหนนี่เดี๋ยวเออเอาเอ า, เ, อ า, เ, อาเราได้เป้าแต่ผมไม่อยากว่าโอ้ท้องกลุ่มน้องวานาเกล้าต้องเลี้ยงง่ายมันก็จะเลี้ยงง่ายอยู่แล้วหรือเปล่ามัน <laughs> อยู่ง่ายก็อยู่ง่ายแหะ อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคนแต่ว่าชาวโศกนี่ยังไงก็เรี้ยงง่ายเพราะรัฐบาลไม่เคยดูแลครอบครัวก็ไม่ต้องดูแลพวกเราดูแลกันเองเห็นไหมครับก็มันก็แสดงออกด้วยกันที่ชาวโศกดูแลกันเองได้ก็เปลี่ยนเป็นวันนักเกถ้าถ้าเป็นเฉพาะท่านวรนนักเก้าเราก็บอกเมื่อกี้อะไรอยู่ง่ายก็อยู่กันเองง่ายๆเราอยู่ง่ายอยู่แล้วพึ่งตัวเองได้สมมติวรนนักก้ามีเรืก็คือเราพึ่งกันเองนะครับเอาเอานี่เป็นตัวชี้วดหนึ่งของวันเนวรนนักก้านะครับ ขอโอกาสเถิมประเด็นนี้นะคะไม่ทราบว่าจะจะเข้าประเด็นหรือเปล่าดิฉันคิดอย่างนี้นะคะว่าสามปีเราเอาความเป็นอริยะบุคคลเข้าไปจับเลยนะคะหมายถึงว่าที่อาจารย์ตั้งเป้าตอนนี้คือที่10ปีใช่ไหมคะอันนี้กําลังทอนมาว่า10ปีเราจะเป็นเป็นคนใหม่ยังไงเป้าหมาย10ปีใช่ไหมคะกำลังฝึกคิดให้ยาวเพราะเราเดี๋ยวทอนสปีให้พูดให้พูดเดี๋ยวให้ทอนสปีอันนี้จะเป็นอริย ะ, ะบุคคลจะเป็นค่ะ สิปีของเราในฐานข่าวว่าดิฉันตั้งไว้ที่ อ, อนาคามีนะคะก็คือทํางานแบบไม่ยึดติดเงินทองหรือว่าบ้านหรือว่าข้าวของสิ่งอันนี้คือเราจะไม่ยึดติดตรงนั้นแต่ว่าเราจะเริ่มต้นไปตั้งแต่โสดานะคะโซดาก็คือเป็นฐานผู้ผลิตยังมีโกรธมีอยากได้มีอะไรอยู่นะคะระดับที่2องขก็ขึ้นไปก็คือทํางานเป็นผู้รับใช้อย่างเดียวนะคะมีจิตที่จะรับใช้อย่าเป็นผู้ให้อ่ค่ะ แล้วก็ระดับที่สามที่ฉันตั้งเป้าไว้ตอนนี้สิบปีก็คืออนาคาเีนั่นก็คือลดตัวตนเป็นอย่างต่ำนะคะตรงนี้อนาคามีค่ะออตอนนี้ต้องพูดอะไรที่เป็นรู ป, ประธรรมขบพระการวัดที่เป็นนามธรรม<อ>เนี่ยผมว่ามีอยู่บนฟ้าที่วัดได้เนั้น<อ>ก็ไป <c oughs> ตอนเราตอนเราถึงอายุไขก็ต้องตอนนี้เรากำลังพูดลู ป, ประธรรมว่า เราอย่างเงี้ยเราพอออกมาเป็นร0อตันเราก็เอ้ยไปแสนตันเราก็ไปรูปบรรทัพมันเราเราต้องเป็น ต, ตัวตัวตัวเป้าที่ทุกคนเห็นเห็นร่วมกันด้วยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ต้องช่วยกันคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัววัดทีง่ายยกมาณฑ์กล้ามมือมันมี9ก้าคอแล้วก็เอามาเอามาวัดกันได้ แต่เ ด, เดี๋ยวที่เสนอเนี่ยแต่แต่ละ3ปีจะเป็นอะไรนี้ก็ว่าเดี๋ยวค่อยทอนกลับไปนะครับเดี๋ยวเราจะทอนเรื่องเรื่องไอ้แสนตันก่อนไปนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์คะถ้าอาจารย์คะเท่าที่เท่าที่ระดมสมองมาได้ประมาณนี้นะคะอ่าท่านมีความคิดว่าถ้าจะให้เป็นรู ป, ปรธรรมที่ว่าได้ชัดเจนเรื่องสีลชัดเจนค่ะเราสามารถเช็คสีได้แต่ละข้อแต่ละข้อนะคะซึ่งบางทีบางทีหลายท่านจะคุ้นชินกับการตรวจสีลของตัวเองเป็นประจํานะคะครับ อันนั้นประการหนึ่ง น, น, นะคะอีกประการหนึ่งก็คือวันหน้าเค่ะวันหน้าเนั้นสามารถบ่งบอกพฤติกรรมของแต่ละข้อได้ค่ะเราอาจจะมาทำํำตัวพฤติกรรมะะว่าเลี้ยงง่ายคืออย่างไรบํารุงง่ายคืออย่างไรจนถึงข้อที่9วิริยารังพะคืออย่างไรสามารถวัดได้ประเมินได้เป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ประเมินได้2ตัวเนี่ยนะคะที่ชัดเจนนะคะนอกนั้นดูจะเป็นธาตุจิต นิ่งสงบอะไรมันอาจจะสอดแทรกอยู่ในเรื่องของสี<ต>ก็ได้สอดแทรกยว น, นาเก้าก็ได้ครั บ, รบถ้าวราเก้าเป็นตัวชีวิดเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องตีตัวชีวิจวตจรวดเนี้ยแ่นี่ที่มิกิน้องพูดเนี่ยคือตัวเป้าแต่พยายามคิดเป้าให้เป็นรูปธรรมเพราะว่าอนาคตมีผมเข้าใจว่าในอดีตนะครับก่อนมารู้จัอกอโศกก็คีดว่าเป็นเรื่องของพระที่อยากจะบรรลุขัน้นโสดาคันอนาคามตตอนนี้อันนี้เราต้องเขียนเป็นรูปธรรมไม่งั้นมันก็ยังเป็นนามธรรมาอยู่ อย่างเงี้ยพรา่แตกว่าศีลห้าเอาให้ได้เอาพื้นฐานนี่ต้องได้ทุกคนศีลบริสุทิ์ถึงศีลห้าที่บริสุดนี่จะได้ทุกคนไหมแล้วจะใครจะไปตายศีล8อย่างเงี้ยหรือบอกว่าจะขึ้นใบได้อันนี้มันก็จะชัดขึ้นเพราะพู้คําว่าอธิศีลมันก็ใช่ไหมครับไม่มีตัวตัววัดพเพราะเพราะว่ามันจะค่อยๆถอนมาว่าเ <พอ S 1> ชิญ <พอ S 1> ครับท่ะถ้าในเรื่องของหมดอบายมุข6กนี้ได้ไหมคะ ผมไม่รู้ผมก็ถึงเระดมพวกเราเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวชีวัได้เพราะวกเราจะไปสื่อกับพ่อท่านว่ายัางไงคะในปัญหา <c oughs> ในประเด็นของของพุทธวิวชาขอโอกาสครับคือเวลาพ่อท่านเทศทุก ว, วันนี้ก็เหมือนเทศเพื่อให้เราได้วัดตัวเองได้ว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วครับค่ะอย่างโซดา ก, ก็มีออกมาให้ตรวจว่าคุณต้องพ้นสังโยชน์สามข้ออะไรอย่างนี้ค่ะพวกเราก็มีหน้าที่สร้าง สร้างเครื่องมือมาวัดออกมาเป็นรูปธรรมเช่นเป็นหลักสูตร ม, มีมีตารางเหมือนเช็คสินทุกวันนี้คราวนี้ออกมาแล้วว่าใช้วัดวานิก้าเป็นปตัวชี้วัดวัดเพื่อให้ได้มันมีมีกมกี้น้องบอกมีกี่ระดับนะฮะโซดาแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ทิงท้งทิงท้งับพวกนี้ไปนานโซดานี่ขั้นต้นใช่ไหมอนาคามีสกจทาคาค่ะหมายควาเราก็จะยึดแนวแนวแนวนี้นะครับ อนาคตตายแ้่ไม่เรื่อยๆถ้าเราว่าเราอยู่อนาคตอันนี้พวกเรามีใครตั้งตั้งถึงขั้นอรหันไหมครับ <c oughs> รไม่ใช่คนเดียวต้องตั้งทั้งหมดาาตอนนี้ <c oughs> เอาถ้าถามว่าสีระดับนี้เราเราคิดระดับไหนที่พวกเราทั้งหมดจะไปเป็นเป้าร่วมกันได้ได้ <c oughs> แต่มันมันเรื่องของปัจเจกนี่ปัญห า, า, าอันนี้ ขอโอกาสนะครับครับนนี้ครับเชิญครับคือถ้าให้ผมคิดนะครับผมก็จะตั้งเป้าไว้ที่อย่างสมมติว่ า, าปีแรกถึงปีที่จนถึงปีที่สิบนี่คือเริ่มพยายามที่จะมามาคบคุณมาอยู่วัดได้ลำดับที่หนึ่งคือเห็นเป็นรูปธรรมนะครับคือสามารถเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อยู่กับชาวชุมชน ดูตัวไปก่อนแล้วก็ต่อมาก็สามารถทิ้งทิ้งบ้านทิ้งอะไรมาอยู่อยู่ชุมชนได้ต่อไปก็คือมาอยู่มาอยู่ได้โดยโดยไม่ลำบากเอาเอาง้เพงังรวบเร็วคือเดี๋ยวเราจะประเด็นว่าวมันมีสีขันอยู่แล้วตาหลักคดของเราแล้วของชาวโศกแต่นี้ในกลุ่มวนบอเนี่ยที่ผมดาบ้างผมงอกบ้างเนี่ย เรากล่าว่าจะร่วมกันไปถึงไหนไปถึงระดับไหนที่เป็นอ้าวระดับนี้ก็จะต้องก็ต้อ ง, องเพราะว่า10ปีมก็ไม่ความวาทุกคนจะเจริญขึ้นอ่าใครใครคิดว่าดับ2ครับยกฮะเป็น่โครออ ใครคิดว่าจะ10ปีนี่จะเอาตัวเองเพราะว่าตอนนี้แสนตันเนี่ยมันต้องไปคู่กันคือตอนนี้ที่ผมพยายามทําเรื่องทั้ง3าให้เป็นเรื่องเรื่องในมิติมิติมิติด้านด้านพฤติกรรมนะฮะมิติด้านงานมิติด้านจิตใจปัญญาของเราให้มันอยู่เรื่องขนานี้ไปจะได้เพราะเราไม่ได้มาทํางานเอาขายข้าวกันใช่ไหมครับแต่เราจะมาบรรลุสิ่ง น, นี้ด้วยกันก็เลยถามว่าเราอยากบรรลุคันไหนร่วมกัน ที่จะขัดเกลาตัวเองเนี่ยที่เป็นเรื่องร่วมกันอย่างน้อยจะเอาให้ได้ลึกๆขอให้เป็นบัดจตางไปเ ข, ขาเขาอกาสนะคะออขอเสนอว่าให้เป็น<ะ>ขั้นที่สองะคะโสดาสกิทา10ปีเนี่ยเราขอขั้นสกิทาถ้าใครสามารถเต็มสกิทาได้จะก้าวข้ามไปอนาคานั้นก็ถือว่าอนุโมทนานะฮะแต่ว่าโดยหมู่รวมแล้วเนี่ยนะคะเราจะานําพากันไปเนี่ย ค่าเฉลี่ยของของสมาชิกทุกๆค น, นขอให้อยู่ในระดับของสกิทานะคะอันนี้ตั้งเป้าสิปีนะคะถ้าอีกสิบปีหน้าต่อไปเราก็ค่อยปีนอนาคากันต่อค่ะ <c oughs> เพราะว่าที่เราเพบว่าเราต่างระดับของสมาธิทิกันนนั้แต่ว่าถ้าเรามีเป้าร่วมเราก็ต้องสร้างที่เราบอกว่าเป็นชายเป็นตุ้มโฮมของสภาวะให้เป็นสภาวะที่อยู่ระดับเดียวกัน ใช่ครับแต่นี้สภาวะตรงนี้สี่ระดับเนี่ยเราจะอยู่สภาวะไหนที่คิดว่ารวมมีผู้เสนอ ว, ว่าสภาวะสองเป็นไปได้ไหมครับถ้าใครเก่งกว่าก็ต้องมีเก่งฮะโ ส, โสดานี่ยเที่ยบกับเทียบเท่ากับเอ่อปริญญาตีแล้วก็ ส ก, กิทาเท่ากับป ร, ปริญญาโทและอนาคาเท่ากับปริญญาเอกอย่างนี้แหละค่ะอาหา ร, า ร, หารไม่เอาเทียบเอาพวกเราว่าเลยเพราะาอันนี้เป็นการอธิษฐานจิตว่าจะเอาจริงจะมุ่งมั่นจะเอาให้ได้สิปีนี้จะเอาให้ได้แล้วก็จะถอยล่นตัวเองมาเรื่อยๆเพราะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ตามสมณะว่าตามเพราะท่านว่าแต่เอาตามพวกเราพวกเราว่าว่าเราจะทําได้หรือไม่ เพื่อเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบอันนั้นเป็นขั้นที่เหล่าสมณะและพ่อท่านบอกเราแต่วันนี้เราอยากจะไปถึงไหนกันครับเอาขั้นที่หนึ่งสองสามสี่เอางี้แล้วคิดว่าตอนนี้มีมีน้องว่าจุดร่วมกันจะเป็นขั้นที่สองได้ไหมครับเห็นด้วยนะค่ะถ้าจะเป็นถ้าถ้าเป็นจุดที่2คือสักกิทาคามีนั่นหมายถึงว่าทุกคนต้องศินแปดบริสุทธิ์นะคะอ่คะถ้าโสดาบันก็สินห้าค่ะค่ะ อันนี้ต้อง8ต้องบริสุทธิ์นะนี่นี่คือตัววัดเห็นไหมครับซึ่ ง, ซ, งซึ่งในชาวอโศกรู้กันว่าวัดความเป็นสักกิทาได้อย่างไรก็แต่ว่าตัวล้มคือเอาศีนปดใช่ไหมครับอ่า ก, ก็ก็สอดคองกันก็นคกใครใครที่จะตายอยู่ระดับพ า, าก็ต้องเร่งตัวเองขึ้นไปให้ได้ใช่เพราะมไม่ไม่ได้ทำข้าวอย่างเดียว ใช่จะทําค่าผมบอกเขามาทำทำไมจะยุบมากแล้วแบกข้าวก็ไม่ไหวก็หนีหนีหนีเงินมานี้อุตส่าห์ทิ้งเงินมาใช่ประเด็นก็คือว่าเราต้องกําหนดให้เห็นว่าแต่เราทำเพื่อเพื่อสร้างเพื่อกู้โลกเพื่อกู้อย่างนี้เราก็ในขณะเดียเราก้าวกผ่านใช่ไหมขึ้นไปเรื่อยเรื่อยให้เราเพราะนั้นไอ้ความเป็นอัตตาความเป็นอารมณ์อ่อนไหวมันก็ต้องค่อยคขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆโดยการที่พรท่านให้โจทย์มาขัดเกลา อันนี้เป็นวิธีขัดเกลว์ใช่ไหมครับคือให้ให้งานแสนตันมาทำกันเอาครับเอาตอนนี้ไปโลโลกาวิทูผมผมผมก็พอดี อยากฟังว่าโลกกวิถูเราว่าอย่างเมื่อกี้เพราะว่าเรื่องศีลนี่ออกมาแล้วเป็นอาทิี่ศีลแล้วก็ออกมาเป็นเลยครับเชิดโลกกวิถูนี่ก็เหมือนการรู้โลกนะคะโลกที่ไม่ใช่โลกกุตะละอย่างเดียวเป็นโลกข้างนอกเหมือนที่อาจารย์เอาองค์ความรู้แบบนี้มาถ่ายทอดพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นโลกกวิถูเหมือนกันค่ะอันนี้ทันโลกมีสองโลกนะครับโลกที่เป็นโลกกายภาพ รู้จักจีนลาเซียอาเซียมันจะมายังไง <c oughs> อันนี้เป็นรู้รู้กายแต่รู้รกายโล ก, กุตละที่ผมเขาไอโลกกวิทูนี่หมายความว่า ไ, ไม่รู้ว่าที่รู้โลกใช่ไหมครับคือรู้โลกโลกโล ก, กียครับ โ, <อ>โลกโลกียก็กยังวิชาการที่อาจารย์สอนเนี่ยครับนี่คือโลกกวิทูใช่ไหมครับ อ่อออาจารย์ครับถ้าเทียบหลักสูตรของสมาทิฏาพ่อท่านเนี่ยมันมีศีลเด่นเนี่ยศีลเป็นเป็นโลกุตระแล้วก็เป็นงานนี่โลกาหนุ่มกปายะแล้วโลกาวิธูนี่คือฌานวิชาอาจารย์มีฌานมีความสุขแล้วก็มีวิชา3ามนะอาจารย์ฌานวิชา น, น่ยคือโลกาวิทูของพ่อท่านครับนี่วิชาทางโลกนี่โลกาหนุ่มกปายะในวิชาทางโลก ไอ้นุนวิชาโลกุตระน่นนะวิชาคือศีลนี่ยศีลกับปัญญาไงศีลกับปัญญาคู่กันน่ยไอ้ตัวฌานวิชาเน่ยนะเป็นตัวขยายโลกุตระเพราะคนที่มีโลกุตระนี่ต้องมีฌานวิชานะครับถึงจะมีโลกุตระได้ครับครับโลกาวิทูเลยแต่ในความหมายของสมาธิขาคือฌานวิชานะครับตัวฌานตัวฌานคือความสุขและวิชาสาม เป็นงานตัวเป็นงานนะแล้วแล้วไอ้ที่พอท่านพูดให้พวกเราฟังหรือพวกเราที่ออกไปร่วมร่วมเดิ น, น, ปนกประปอนี่หมายความว่าอันนี้เป็นเรื่องโลกอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมครับไปทางเลือกของไอ้การเมืองอารยะให้ปรากฏเหมืนอน<า>อ่าก็สถาบนาโลกใหม่ <c oughs> จัดตั้ง <c oughs> อาา่า คือเราสามารถอยู่กับสมมุติโลกได้แล้วก็เท่าทันสมมุตินั้นนะคะไม่ไม่หลงไปตามสมมุตินั้นนะคะก็ไม่ร้อนไม่หนาวไม่หวั่นไหวเหมือนค่ะการที่ไปไปรวมม็อบกปสนี่ก็คือไปแสดงออกซึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับว่าเราจะอยู่ในแสดงออกซึ่งการเมืองอะไรในการเมือง การเมืองของโลกของชาวโลกนะเราไ ป, ไปเห็นความเป็นไอหิงสาความเป็นไอที่แท้เป็นยังไงเห็นต่อไปในระหว่างสิปีนี้ก็มีโอกาสก็ต้องออกไปนั่งลอระเบะิด <c oughs> อ่าโอเคอันนี้เราจะตัวชี้วัดจะวัดยังไงการเมืองอารยะนี่ผมได้ยินจะต้องไปทำแบบแซมเห็นแซมดินเดินอย่างนั้นห ร, หรือไม่หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นตัวเป้า เป้าคืออะไรครับเรานิ่งมากขึ้นในท่ามกลางอำนาจที่แย่งชิงเลยนะะโลกคําว่าโลกกับวิทูหมายความว่าอย่างสมมุติว่าเราไปอยู่กับคนทางโลกใช่ไหมคะคเขาแต่งตัวสวยเราก็ไม่ไปแต่งตัวสวยตามคะ่ะเราก็ยังคงแต่งตัวเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้คะ่ะเขาเรียกว่าเราไม่หลงไปตามเขาะคะ่ะนี่คือโลกกับวิทูคะ่ะโดยโลุกประธรรมนะคะนี่ยกตัวอย่างเดียวะคะ่ะเป็นตัวงตัวเองใช่ไหมครับไม่หวั่นไหวเท่าทันแล้วก็ไม่หลงโล ก, ไ ม, ลโลกไม่มามาดด้วยนะ ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เมาหมัดค่ะแต่เป็นหมัดเมาค่ะไม่เมาหมัดแล้วหลงหลงโรคนะหลงไปตามโลกโรคโลคียักษ์าเนี่ยโรคโลคีเนี่ยเขาหลงเงินกันนะคะเขาไปรวยแต่เราก็ชอบเป็นคนจนอย่างเงี้ยแหะค่ะอย่างเงี้ยแะค่ะเาราไปอยู่ที่ไหนเราก็เป็นคนจนอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตเสริมนะคะท่านอาจารย์ค่ะขอยกตัวอย่างการเมืองค่ะเราก็สามารถเรียนรู้การเมืองที่เป็นแบบโลกี ในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้การเมืองอริยะที่พ่ะท่านให้ค่ะนั่นคือเรากร็มีความรู้ในสองส่วนคือโลกโลกีกับโลกโลกุตระค่ะมันจะเป็นความรู้สองส่วนคือทางโลกีหรือทางโลกข้างนอกอะค่ะเราก็มีความรู้ความเข้าใจในขณะเดียวกันในทางโลกลุตระเราก็เข้าใจค่ะเราจะทําเราจะเรียนเราจะทําเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะท่านเคยใช้คำคำความแบบนี้นะคะ เ, เช่นเราออกไปทำการเมืองเราทำการเมืองเหมือนเขาแต่ไม่เหมือนเขาอะไรประมาณนี้ยคะ่ะซึ่งมันจะแตกต่างกันโดยเนื้อหาสาระและเป้าหมายคะ่ะค่ะไปชุมนุมช่เนเดีันคะ่ะคือพอว่าโลกกวิทุแล้วเนี่ยจะรู้สองโลกเลยนะคะคือโลกโลกีแลวก็โลกโลกุตละคะ่ะเป็นองค์ความรู้นะคะเป็นวิชาคะ่ะค่ะเป็นทฤษฎีค่ะเออคราวนี้อ า, อาสมมติเราได้คร่าวๆแล้วะเดี๋ยวลองลองลองลองย้อนซิว่า ในแต่ละช่วง3ปี3าปีแรก3าปีที่2หรือว่า3าสปีสุดท้ายเนี่ยเราจะได้อะไรเอาเอาเอ า, เอาตัวเลขตัวเลขง่ายๆก็ได้ว่าเ7จังหวัดกระแสนกับคุณค่าเนี่ยเอาจะค่อยๆถ อ, อนไปยังไงครับอันนี้ฝึกการถอนเป้าหมายอ่าตอนนี้เพื่อเพื่ อ, อฝึกฝึกช่วยระดมแล้วก็คิดว่าวันนี้คงจะได้เป็นตัวอย่างแต่ว่ามันคงต้องคุยกับแต่ละแต่ละฐานงานกับแต่ละผู้เชี่ยวชาญ นะครับหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมณะผมมันมันตั้งคําถามผมก็คนตั้งก็ไม่ไม่ชัดนะครับมันก็ว่าทีนี้จะจะทอเรื่องเรื่องเรื่องงานได้ยังไงครับเรื่องศีษที่เราตั้งไว้มันมีเก่งงานใช่ไหมครับเก่งงานก็มีโจทย์ละแสนตันได้มาแต่นี้ประเด็นแรกก็คือว่าสาปีแรกเนี่ยจะได้สักกี่ตันครับตั้งเป้าไว้อ่าพวกพวกคิดยังไงครับ จะสู้สักเท่าไหร่อันนี้ไม่ถึง9ก้าอศเลยนะ9อาโอาอศสิบอศต้องพัวกันต้องรุมมาลุมมาตุ้มกันผมก็กไม่ใช่ราชธานีอย่างเดียวใช่ไหมนี่นี่ผมผมหมายถึงอโศกทุกอโศกใช่ไหมครับภายใต้สมณะใช่ไหมครับอ่าสมมุติว่าเราเราคิดว่า3ปีแรกจะสักเท่าไหร่ครับ3ปีแรกครับเพื่อเพื่อให้ได้เป้าพอตั้งเป้าไม่ได้ค่อยๆปรับไปทุก3ปีนะครับขอโอกาศครับเชิญครับ เ, เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อกลางเดือนหรือประมาณต้นเดือนไม่แน่ใจนะครับที่พรอครูตั้งเป้าเป็นตุ๊กตาตัวอย่างนะครับที่วัดป่าติว้วก็คือจากที่เรารวบรวมเนี่ยตอนนั้นก็คือประมาณพันตันพ่ะครูก็ยังตั้งเป้าว่าเอางี้ปีหน้าเราลองมาตั้งเป้ากันว่าสักห้าพันนี่คือยกตัวอย่างนะครับจากกรณีการตั้งเป้าที่จะไปแสนเนี่ยครับและในปีถัดไปถ้าตั้งได้สักเจ็ดพัน อันนี้ก็เป็นลักษณะอันน้เป้าปีแต่ว่าตอนนี้เร า, เา ล, อลองลองถอนเชื่อว่าสัก ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, สปิปีแสนตันเป็นเป้าไหมเป็นไหมเป็นเป้าสุดท้ายมยังเป็นอยู่ยังเป็นเป้าสุดท้ า, า, ายหม<ช>เราเห็นด้วยกับพ่อท่านนะแล้วเราจะเอาจริงกาจรงนอย่างนี้ถ้าเราไม่ตายไปก่อนไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าคร <laughs> ับตอนนี้เอาเอาเอาที่ที่ที่พีู่้นี่ก็คือเป้าแต่ละปีใช่ไหมตอนนี้พี่กำลังเสนอให้ถอนใหญ่ๆก่อน ว่าสมมุติแสนถอนมาเรื่อยๆ3ปีแรกจะเท่าไหร่ครับถ้าถ้ามิกี้บอกว่าประมาณลองลองลองเอาใหญ่แล้วเดี๋ยวไปถอนเป็นปีประมาณสักห0 0่นนึงก็น่าจะอยู่จุดเดียวอันนี้อันนี้ฝึกแล้วแล้วไอ้นนเจ็ดสิบเจ็ดตแฉจะตั้งเป้ายัางไง<ด>จะ<า>เป็นภาพเป็นจังหวะสามปีแรกนี่ 2,000 20, มค่ะอ่าสมมุติใส่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนช่วย ค, คิด อ, นนอ่าสองหมืปีแรกนะครับสองหม อันนี้ตันนะคือคือในตอนตั้งต้นนี่สอง0มืแล้วสปีต่อไปแล้วครับแล้วจะไปถึงแสนมันคือคือผลกา ร, ร, ก, ารการตั้งต้นนี่จะช้ามันมีอุปสรครคต่างๆแต่พอเราได้สอง0มืนเนี่ยอะไรมันเข้าที่คนจะเพิ่มตลาดจะเพิ่มเนี่ยอ่ะ มันอาจจะไม่ใช่ 2,000 มนมันก็ก็จะเป็น 4,000 มืก็ได้นะคะอ่าต่นี้เอาสมมติเป็น3มช่วงระยะที่สองสมเนี่ยระยะที่อปีสุดปีละปีที่6ปีที่จอ่าโอ้ยังไม่ขึ้นแสนอีกแล้วอ๋อนี่เป้าแสนอะไรอีก4ี่0มืนเป็น6 0 0มืนใช่ไหมคะกก็แป0 0อย่างี้สบายอันนี้ไม่ได้ื่อตัวเลขต้องต้อง ต้องทำกันจริงต้องต้องช่วยกันคิดนะครับอไปถอน<ส> 2อ0 0 0นี่ก็ปี2 0,000 เอา3หารปีละเท่าไหร่ครับเ0ใช่ปีละประมาณ6หรือ700อันนี้เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะไม่รู้ก็ต้องดูวดิตอนแรกมันต้องปรับปรุงมากมาย ก, กว่ามันจะดีได้ถึงถึงช่วงระยะกลางแหาปลายนี่มันีคูณทวีคูณเป็นไปได้แน่นอนคเหลือปีนี้ก็คืออันนี้ก็คือสปีนี้ 2, อันนี้เป็นขึ้นมาเป็นหกมื่นออโท้ระยะสองหกมืนระยะที่สามก็ซื้อที่เหลืออยู่คิดว่าได้สี่มืนสองมืนเองนะเออทำไม เออทำไมถึงขึ้นมาตรงกลางหกหมื่นแล้วตรงนี้เลือแค่2หมื่นหมายความว่าตรงนี้คิดว่าตัวนี้จะก้ากระโดดมีกระดานชิ่งใช่ไหมที่จริงเออพอพอปุ๊บขึ้ปุ๊บแล้วตอนนี้ใกล้เข้าโลกแล้วที่จริงที่จริงขอเรียนอาจารย์นะครับที่จริงแล้วความเป็นจริงเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การขยายเครือข่ายเพื่อแหนะครับ อ่าฉะนั้นในปีแรกเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องไม่มากนะครับอ่แต่ว่ามันจะมากเคิร์ฟมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ไม่ใช่หัวตกลงแบบนั้นนะฮะก็เขาคำนวณสองห0ืนเนียฮะมันมันมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆอ่าสปีรกใช่ไมถึงเนี่ยเพิ่มามเพิ่มมาสี่ขยว่ามันเป็นสองออรงั้นมันอันนี้ก็คือจะคาดว่าระยะสามนี่จะเกินระลุแสนเลย อาจจะแสนก็คือเป้าเป้าแสนบวกด้วยเขีนอย่างนี้แล้วกันว่าก็แสนบวกบวกเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะโหนี่หมายความว่าจะทำได้ก่อนก่อนสิปีด้วยขอโทษนะคะขอโทษนะคะขออากาสนิดนึงค่ะคือถ้าเราเราคิดเป็นตัวเลขเราอาจจะมองถึงการการกระโดด การกระโดดจาก2000 20, 0ไป 60,000 ได้แต่โดยโดยวิญญาณนะคะโดยที่แบบถ้าเรามองดูไม่ใช่แค่ตัวเลขในผลผลิตเนี่ยสมมุติว่าเรามีประชากรหรือว่ามีเครือข่ายกันอยู่สักร้อยคนปีแรกเนี่ยมาสมัคร1้อยคนแต่ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยศีลห้าละบบยมุกกินมังสวิรัติเป็นเบื้องต้นการปฏิบัติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะจาก100งคนแล้วมันจะมีบวกลบได้นะคะ ถ้าเขาทําได้เขาอาจจะบวกแต่ถ้าเขาทําไม่ได้อาจจะมีคนล่วงอาจจะไม่ถึงร้อยคนค่าที่เราตั้งตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลขตามที่เรามองไปก็ได้นะคะนนเพ<ข>ราะว่าต้องไปลุยค่ะเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็คุออยอยู่ที่แผนยุทธศาสตร์ว่าจะไปดาเนินการยังไงทีนี้ค่ะคือตั้งเป้าแสนตันที่สิบปี ก, ก็ยังมองว่ามันยังเยอ ะ, อะนะคะก็เป็นตัวเลขที่เยอะ ก็พรรคพวกบอกว่ามันจะทะลุแสนอ่ะอันนี้ก็การสแสดงความคิดเห็นนะนะคะเดี๋ยวเลือกเครือแหย่ครับเอาคราวนี้มาคิดเอาแสนตันใครจะเด้วคือมันต้องมองว่าความสามารถไม่ไม่ใช่พวกเราต้องอาศัยเครือแห่ของชาวนาจ่จ ะ, จ ะ, จะแล้วจะกี่จังหวัดกี่ภาคจะค่อยเพิ่มยังไงต้องคิดคู่กันเพราะว่าเราคิดแค่นี้มันได้นิดเดียวคุณผู้มครับ อ, อที่จริงแล้วมั น, ม, นมันไม่ง่ายคือเรามาตั้งตัวเลขอันอันต้นสองหมื่นเนี่ยนะฮะ ใน3ามปีแรกรยากไปมันยากฮะแล้วคุณรู้ว่าเท่าไหร่คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันจะมีหลายส่วนนะที่จะที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบแผ่งการที่จะขยายตัวเลขอันนี้ขึ้นไปนะฮะนั่นหมายถึงว่าเรื่องของผลของการดําเนินการในช่วงแรกเนี่ยผมยกตัวอย่างตอนเนี้มันมีดําเนินการแล้วนะที่วัดปัตติ้ิวที่เราไปร่วมกับเขาเนี่ฮะที่กลุ่มของข้าวคุณธรรม ที่เมื่อกี้นี่คุณเจมส์ได้พูดถึงนี่นะฮะซึ่งปีนี้เราทำกันมาเนี่ยมันตัวเลขมันผ่านตันใช่ไฮ ะ, ะแล้วก็เขาบอกว่าต่อไปเขาก็จะเพิ่มใช่ฮ ะ, ะเป็นห0 0 0ันอันนี้เนี่ยคือกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะฮ ะ, ะเขาไม่ได้พูดลอยลมนะฮะเพราะว่า ป, ประสบการณ์จริงที่เขาได้เกิดการสร้างกลุ่มคนขึ้นมาาตุาาา๊กตาคือประติ้วเท่าไหร่ปีแรกเทไไ่าไหร่นะครับ 1,000 พันปีที่2ครับปีปีเท่าไหร่นะครับ5้าพันอันนี้อโศบเดียวใช่ไหมครับครับครับที่หากลุ่มเดียวฮะที่กลุ่มเดียว ก, ก, ก, ก็ถ้าถ้า3ปีประมาณเท่าไหร่ปี3เขาเขาคุยกันไหมครับว่าเขาตั้งปายังไม่ได้คุยคก็คงไม่ต่ำกว่า5 0 0พันเอาให้ปีสาให้เท่าเดิมเอาเท <5, 000. S 1> ่าไหร่ 5,000 ันสมมติ น, นะนะ นีน่ีถ้าถ้าคุณลุงบอกว่าอันนี้เป็นเป้าที่เป็นไปได้เอาอย่างน้อยก็5 0 0พันเอาให้หกพันเอาถ้าเขาเก่ดขึ้นรวมสามปีเท่าไหร่ครับประมาณของปาร์ตี้ก็ประมาณ1มื0 0เอาตีซะประมาณ1มื่นถ้าก้าอาโศกซึ่งความสามารถเท่าไปเท่ากันมากน้อย อันนี้มันยากเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นจุดเดียวนะฮะจุดที่ปาติ้วทำครับแต่ตอนนี้ยุทธศาสตร์ของเราจะทั้งก้าวโศกจะก้าวครับก็ครับตอนนี้ก้าศกเท่ากันไหมครับความสามารถในบาคนเ่าไหมไม่เท่ากันครับปาติวนี่เป็นกับแล้วถ้าไปก้าวโศกจะไปไปสปีเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งบวกประมาณหมื่นบวกหนึ่งหนึ่งโศกถ้าก้าวโศกนี่จะเป็นเท่าไหร่ครับเอาเก้าคูณได้ไหมไหวไหมเชิญครับ อ๋อพอดีมีความเห็นที่คือเราปาดติ้วเป็นหลักนี่คือความจริงที่เขาทำจริงรแต่ที่ฉันมาคิดว่าปาติ้วไม่ได้เกิดขบวนการวอนอบ อ, บอแบบเราะคะเพราะนั้นในขณะที่เรามาตั้งวอนอบอนี่ยก็เพื่อบิงไปถูกไปสู่แสนตันซึ่งพระท่านคงจะมองแล้วว่าเป็นกลอุบายที่จะให้เราเนี่ยถีบตัวหรืออะไรอย่างงี้นะคะ ขวัญขวายมากขึ้นสปีด่ะสปีดตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งว่าสองหมื่นหรือหนึ่งหมื่นี่ก็คือเป็นเป้าที่เราจะวิ่งไปสุดแรงแต่จริงๆพอถึงตรงนั้นเราก็ประเมิน ด, ดูอะไรมันบกพร่องเราก็มาักสวัดกันอีกใช่ไหมคะแต่ละครั้งเพื่อให้มันไปถึงเป้าราะั้นถ้าป่าติ้วเนี่ยโศกเดียวเนี่ยก็ได้ประมาณมื่นกว่าครับไปแล้วเพราะั้นการที่ 9, ก้าวกปีเนี่ยตั้ง 20,000 เป็นไปได้ไ้มครับฮะเป็นไปได้แต่คุณลุงว่าเป็ น, ปนไป ไ, ออไม่ ไ, ได้เค่อนข้างยา ก, ยากเริ่มต้นแต่ตรงนี้มันจะมีซอยย่อยตรงนี้อาจจะเผอผลอได้ไม่ถึงหมื่นนใช่ั้ยปีแรกนี่ปีปีที่สองนี่ปีที่สามมันมีสามปี คือถ้าถ้ามองแบบการทํางานนะปัจจุบันที่เราทำนะคะมันเป็นไปได้ยากแล้วเราก็มองไม่เห็นทางเลยค่ะว่ามันจะไปถึงแสนตันได้ยังไงแต่พอสวัสด์กับอาจารย์แล้วมองโรงสีโมเดลนะคะมองลักษณะลงสีโมเดลแล้วก็ลองไปทําดูหลายๆจุดค่ะค่ะก็คือลองทําโรงสีโมเดลดูแล้วก็ขยายค่ะจากจุดเล็กๆ เป็นจุดใหญ่ก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไม่ทราบว่าคนอื่นมองอยังไงคะตอนนี้พูดเรื่องเครื อ, รอแหขหน่อยหมายว่าใน3ปีแรกนี้เราจะทำในกระนอโศกก่อนเป็นหลักใช่ไหมอ่าแล้วเครือแหขจะเป็นกี่จังหวัดอ่าฉะนั้น3ปีแรกนี่เก็บในอโศกให้หมดก่อนอก็คือ9้าเครือแหขอโศกใช่ไหมครับใช่ไหมก็มาเรียนรู้ร่วมกันอาจจะใช้บณบอเป็นที่ฐานเรียนรู้ใช่ไหมครับแล้วไปขยายให้เต็มเก้า เต็มเอามาั้ย น, นี่ก็คือ9ก้าอโศกนะเป็นเครือแห่กัน3ปีแรกเนี่ยก็ต้องก็ตอนนี้มาอยู่ที่นี่กันส่วนหนึ่งอยู่แล้วกลับไปฐานเดิมก็วางแผนกลับไปใช้ฐานของอโศกแต่ละโศกก็ทำเป้าสองหมื่นเราให้ได้9้าเครือแหาอาจจะมีขั้นบางคัชุดชุดเนี้ยก็ใช่ไหมดูเอาเป้า น, นี้ไปเอา ใช่ไหมครับ ค, ค, ค, ค, ครับเอาแต่นี้เอามา6าที่มีคนเสนอหมือ น, นี่ในก็คือกระโดดขึ้นไป3เท่า<ช>พูดยังไงไม่ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ก็3เท่าไหวไหมก็คือต้องออกไปนอกนอกอกระโกละใช่ไหมเพื่อแห่ที่ต้องจำเป็นต้องเป็นทั้ง4ภาคจะได้สกี่จังหวัดผ่าน3มปีแรกนี่เราสร้างเครือข่ายอาจจะ พันเป็นอเนกเลยนะคะเพราะว่าเรามีพ่อท่านเนี่ยไม่ใช่ระดับปกติเป็นโพธิสัตว์เราไม่ทราบความอัตราเร่งของบารมีของอะไรแต่ว่าเราไม่ใช่นั่งรอบารมีอย่างเช่นการที่เรามีท่านอาจารย์มามันก็เหมือนกับว่ายกขึ้นมาอีกไม่ใช่น้อยเลยที่ทางแล้วก็ปัญญาซึ่งซบเซามานานอะไรอย่างนี้นอันนี้ต้องจะถามว่าถ้ายกมาถึงคงมือก็อันี้คําว่าเครือแห่เนี่ยเราจะ ขยายออกจากอโศกยยไหมซักกี่จังหวัดในในเครือข่ายของอโศกเพราะฉะนั้นต้องขยายจากเก้าอโศกใช่ไหมไม่ใช่ขยายที่นี่เพราะก็ต้องเพราะอโศกแต่อโศกก็ต้องขยายออกไปหารอบนอกใช่ไหมทุกอโศกจะประมาณสักกี่จังหวัดตามาตามที่เราระดมความคิดของฝ่ายบริการยังคาดว่าอยากจะเห็นชุมชนอโศกนี่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยอย่างงี้ใช่เขาลองพูดว่าตอนนี้มันมีอีกระยะหนึ่งทีนี้ ปีที่สี่ที่ห้าที่หเนี่ยจะซักกี่จะซักกี่กี่จังหวัดที่จะขยายออกไปพเพราะจะขยายเต็มประเทศหรือยาวเต็มประเทศเลยใส่ไหมนะครับก็หมายความว่าจะภายใน6ปีเนียก็เต็มประเทศเลยล่ะ ก็คือปีที่สี่ห้าใช่ไหมครับ3มปีเนี่ยลุยนอกอโศกหมดเลยใช่ไหมครับค่ะ ข, ขออกาสนะคะใช่คือเราจะขยายาช่วยช่วยช่วยช่วยภารกิจอันนี้กันเราค<า>่ะเหมือนเรามาเรียนนี่นะคะทุกคนไม่ได้อยู่ที่ทจังหวัดอุบลที่เดียวนะคะเราอยู่กันทั่วเลยนะคะ อ, นนอยู่ <คน S 2> หลาย<ใ> จ, <ค>จังหวัดเพราะฉะนั้นชุมชนของพวกเรามีอยู่ทุกจังหวัดเลยนะคะเราก็เอาวันนี้ออกไปขยายผลนะคะออกไปขยายผลก็เราก็จะมีใครที่อยากจะมาเข้าทําข้าวไร้สารพิษเราก็ไปจัดเป็นกลุ่มสัมมนาย่อยหรือว่าไปจัดเป็นกลุ่มที่ใครอยากจะมาทํำข้าวที่ไร้สารพิษเนี้ยก็มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มาสมัครเพียงแต่ว่า คนที่จะสมัครนั้นต้องละอบัญมุกเช่นนะคะถือศินห้านะคะไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่เล่นการพนันแค่นี้นะคะแล้วก็ข้าวนั้นต้องไร้สารพิษจริงๆนะคะเราก็ขยายออกไปคิดว่าไม่ยากค่ะคิดว่าได้แน่ๆเลยค่ ะ, ะท่านอื่นที่ประชุมเห็นไหมครับ ต, ตอนนี้ต้องไม่คนเดียวเรามีเครือแห่มมด้วยค่ ะ, คะเรามีมีเครือแห่อยู่แล้วแต่นี้ พี่เสนอว่าให้เป็น77จังหวัดเลยเต็มประเทศเลยใน6ปีข้างหน้าใช่ครับเดี๋ยวออขอออกาศนิดนึงนะคะคพอดีเมื่อวันก่อนได้คุยกับคุณอาที่ป่าติว่ะคะ่ะเขาบอกจากเกือบเออตอนแรกมันมีแค่ร้อยหลังคาเรือนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เข้ามาปีที่3ที่4ประมาณเนี้ยเนาะก็เกือบ200หลังคาเรือนละนะคะแล้วทีนี้เขาสามารถยืนยันได้ว่าทานาอย่างไรได้ลดหนี้ แต่หมายความว่าไม่ใช่หมดนี้นะคะลดลดเป็นไปได้ลดนี้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็กระจายไปตอนนี้ก็กระจายไปเรื่อยเรยทีนี้ทีมสื่อเราก็เก็บข้อมูลอยู่ะคะ่ะแล้วก็กำลังจะเจาะลึกเข้าไปแล้วก็ช่วยกันเผยเผยแพรออ่อีกทีหนึง่งแต่ส่วนส่วนทางนิสิตวนบอเองทางที่อาจารย์ะคะ่ะอาจารย์ก็เริ่มกระจายออกสู่เครือข่ายหรือเพลือแหนะคะเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับปุ๋ยใช่ไหมคะที่เป็นที่เป็นที่เป็นศูนย์ใหม่ๆอีกหลายที่สรุปว่าเ<ะ>จะเอาเต็มประเทศ เหมืนมืกันใช่ไหมครับคฮับปุ๋ยมาเนือเต็มปร ะ, ประจายไปกันเพราะฉะนั้นเครือแห่ะคะตอนนี้เริ่มกระจายออกไปแล้วอะคะ่ะเท่าเท่าที่เห็นนะคะป็คือคํา<อ><ม>ถามคือว่าในเป้าเป้าช่วงที่สองเนี่ยที่เราจะออกจากเครือข่ายอาโศกซึ่งตอนนี้มีมีเต็มประเทศอยู่แต่ว่าเข้ามาทําภารกิจอันเนี้ยแล้วก็มีเรื่องคุณค่ามีเรื่องอธิจิตอธิศินด้วยเนี่ยในระดับลองลอ ง, ลองไปเนี่ยเราคิดว่าจะเต็มประเทศไหม เต็มทุกจังหวัดไหมในในเออไม่ต้องพูดครับแลให้คนอื่นพูดบ้างว่าเป็นไปได้ไหมผมกำลังจะ ถ, ถามแล้วเพราะว่าทุกคนต้องอธิษฐานจิตไปเนรายงานเพราะท่านนะว่าฉันจะทําได้ยังไงเพราะว่าวันนี้ใครเสนออะไรทั้งห้องเนี่ยมันจะมาวัดตัวเองนะแล้วถ้าผมบอกมาดูอ้าววาดัวดนี่จะวัดตามนี้แหละจะจบไม่จบวับอกก็ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้ใครเสนออะไรก็อยากทําเติมคุณทําเสนอไว้ร้อยฝันไปกลแล้วคุณทําได้30สิบ สอบไม่ผ่านลักถ้าภาษาทั้งโลกได้แค่30เอง5้าห้าได้หกอาจจะเออนี่เพราะฉะนั้นต้อตั้งเป้าสูงต้องทําให้ได้นะเชิญครับขอโอกาสค่ะก็อย่างที่ที่บอกว่ามันจะมันจะมันจะกระจายไปทั่วประเทศนี้มันมันน่าจะเป็นราได้เพราะว่าอย่างดิฉันไปอยู่บ้านแค่ปีเดียวช่วงที่ไปดูแลคุณพ่อป่วยตอนนั้นอยู่สันติอโศกดิฉันดูแลเครือข่ายกิจกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยตอนนั้นทีฉันเห็นการเกิด การเกิดกระจายอย่างไวเหมือนกันนะคะถ้าเราเอาจริงแต่ตอนนี้ละถ้าเราเราจะเรามีนักศึกษาของเรานี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเราไปเติมเต็มมันก็จ ะ, จะขยายไปที่สุดเพราะว่าขณะดิฉันไปยังไม่มีนักศึกษาที่ฉับไวมันก็ยังมีแนวโน้มที่ขยายออกไวถึงเพียงนั้นถ้าเราเติมเต็มให้มันจะไวมากค่ะนีฉันเห็นเครือข่ายกสิกรรมของอโศกกสิกรรมธรรมชาติของวิวัฒเครือข่ายที่ผมเห็นเยอะเนี่ย ใช้เครือข่ายเครือแห่เดียวกันไหมหรือไม่อันตอนนั้นเราอบรมทศนะทั่วประเทศเลยนะคะตอนนั้นมันก็มีมันก็มีมันก็มีทุนไม่แล้วไงคะทุนของเรามีแล้วทุนของที่เราอบรมทศไมีรู้ตั้งตั้งกี่ปีทศเท่าไหร่อ่ะฮะมันมันก็มีทุนแล้วแม่คำถามผมคือมันมีเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติสายผมสายยอกก็เยอะมากสายสายยักษ์ก็เยอะมากมันใช้เครือข่ายเดียวกันไหมเนี่ยหรือรู้จัก ที่ที่อโศกพูดนี่คือคนละเครือข่ายด้วยนะอันนี้ผมจะบอกว่าที่ผมไปเห็นเครือข่ายเหล่านี้ก็ยังไม่เต็มประเทศนะผมก็เดินป่ามานะันนะนี่ผมก็เดินป่าตลอดนะผมก็ถามทุกป่าว่าใช้ใช้สารเคมีมันก็ยังใช้อยู่เพราะเดินป่าก็จะเกี่ยวกันนาแล้วผมไปทุกจังหวัดนะนี่ผมเดี๋ยวจะไปต่อยจะรวมเจ็ดแปจังหวัด ท, ที่เราอุทธรณ์นี้เราก็เราก็รณรงค์ให้เขาทาไอ้ข้าวไรสารพิษเหมือนกันมันก็เกิดเหมือนกันค่ะ มันโอกาสคือเป็นไปได้หรือไม่ได้ว่าจะเต็มประเทศทั้งที่อาศกนี่อยู่เต็มประเทศผมเชื่อด<น>ิช<ต>ันฟังเพื่อนๆ<ผ>ที่ผ่านเครือข่ายมาดิฉันว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าเราปูพื้นมาแต่ปี4ี่หเรื่องเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคทั้งท่านอาจารย์ทางอาจารย์ยักษไปปูพื้นมาซึ่งขาดการจัดตั้งให้มันติดตามต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเราไปเก็บเอามาอีกทีมันมันก็น่าจะันี้คือที่ผมได้ยินมาว่าแม้แต่อโศกก็ขาดการติดตามต่อเนื่อง เราก็หวัง NGO ก็เหมือนกันยักษ์ก็เหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้เราเราเขาเรียกว่าเวียงแหบเวียโปรยทาน <c oughs> แต่นมันมันไม่มีการต่อเนื่องเรื่องคุณภาพการถักทอการจัดตั้งมันไม่มี <c oughs> มันเอาศตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อาศกจะเข้าไปทำรอบสองเนี่ยก็จะคิดถึงว่าจะติดตามต่อเนื่องได้ไหม คยังอย่างตอนนี้นะคะที่ราชธานีทำก็คือกำลังติดตามต่อเนื่องในเรื่องปุ๋ยอะคะอ่ะซึ่งตอนนี้ได้เป็นฮับแล้วนะคะเฉพาะภาคอีสานเป็น<ก>จุดเริ่มต้นคือเจแห่งแล้วคะอตอนนี้เอ า, เอ า, เอ า, เอาสรุปว่าเป็นไปได้นะเพื่อเราจะ อ, าอันนี้ก็ต้องไปไรายงานเพื่อเครือข่ายจังหวัดเจเลยนะใส่ตัวแดงเลยเอากันใน6ปีเลยนะอะไรนะของจริง ใช่แล้วเปลี่ยนจากถนนเป็นทุ่งนาอันนี้คือการแล้วเราเร า, เราผมแอบพูดนะเราคือคอสอชอตัวจริงอันนั้นอันนั้นอำนาจอำนาจอย่างอื่นแต่อำนาจใจกับอำนาจการทำอยู่กับพวกเราถ้าถ้าเราอันนี้ถ้าเจดสิบนี่เป็นการยึดประเทศเลยนะ77 แล้ ว, ลวเราคิดว่าจะไปประสานเครือข่ายอื่นไหมที่ผมถามเนี่ยถามนา เ, <ul> เพราะว่าถึงพูดว่ายักษ์ก็มีเครือข่าย NGO ที่ผมรู้จักก็ทั่วประเทศเหมือนกันปราชาบ้านก็เยอะที่ไม่ใช่อยู่ในสายอโโซสายราช ก, การสายทชกศ ม, มีเยอะเยอะเยอะเยอะสายในหลวงก็มีสุน ใช่ไหมก็แม้นี่แหละคะ<า>่ะเราเราวอนบอเนี่ยเริ่มต้นเพื่อจะประสานเครือข่ายทุกเครือข่ายที่หวานมาเมล็ดไว้นานมาแล้วนะพอตทอเขาหวานไว้เยอะเหมือนกันที่ผมทํางานร่วมด้วยวิธีพอเพียงอ่ะแต่เขาใช้ชื่อไม่เหมือนกันแต่ไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทุกเครือข่ายมันต้องทําจริงใช่ไหมเพื่อการเปลี่ยนแต่ประเด็นว่าถ้าเราคิดว่าจะขยายเครือข่ายกับทุกเครือข่าย ทุกเครือข่ายของในจังหวัดนั้นแลนะทุกทุกเครือข่ายที่ทํากระสิกรรมบางคนเนี่ยผมเพิ่งมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่เขาไม่ได้พูดเรื่องบุญเลยเขาพูดเรื่องปอดอินรีย์<น>เขายังอยู่ระดับปอดอินรียแล้วคิดเรื่องสุขภาพ<น>แต่เขายังไม่ขึ้นถึงระดับบุญเห็นไหมครับพระธาตุเจ้าทุกทุกสถาสถภาพวจิตได้ไหมหรือไม่คําถามต่อไปอันนี้คือทุกจังหวัดเนี่ย<น>ที่เป็นอาศกแน่นอน แต่นี้เครือข่ายที่ทํากษตกรรมธรรมชาตินี่มีเครือข่ายอื่นๆเยอะเลยอย่างอย่างพูดถึงวิวัฒน์สันกำธรใช่ใช่ไหมคะคือที่ฉันมีรูปรอยอันนี้มันมันเหมือนกับมองเห็นลึกๆนะค่ะคือตอนสร้างราชธานียโสก็อาจารย์ยักมาช่วยทั้งวังน้ําเขียวด้วยตอนนั้นแล้วอาจารย์ก็ไปสร้างเครือข่ายแล้วก็ทําซิปมาให้เรา วันนี้อาจารย์มาหาเราเนี่ยแปลว่ามันเกิดการรวมก็ก็หมายว่าจะจับเครือข่ายแนวร่วมด้วยนะแต่นแนวร่วมนี้อาจจะไม่ใช่ร่วมร่วมบุญถึงสูงสุดของไม่ค่ะเป็นแนวร่วมในในเรื่องข้าแสนตันและอาจจะแค่อวบายมุคลาศินห้าอะไรทั้นั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เน่เพราะว่ามันทำทำประเทศหลายขายแต่ถ้าโศกไปร้อยอันนี้พวกเราตกลงเอาเต็ม77จังหวัดนะการขยายส่วนระยะ2อนี่คือขยายออกจากเก้าอโศก เป็นเจสิปจังหวัดนอกอโศกทุก ท, กทกอโศกเลยใช่ไหมครับไผ่สาลีปฐมโศกก็ย้ายขยายออกไปเพราะมีมีแกนอยู่แล้วมีมีเครือแหขอยู่แล้วแล้วก็มีเครือแเพันธมิตรอยู่แล้วที่เป็นแนวร่วมก็ไปส่งเสริมเท่านั้นเองก็คิดว่าจะได้เครือแหขเต็มทั้งประเทศแล้วก็คิดว่าจะกระโดดขึ้นมาได้สั้งพันธมิตรทั้งกปปสไงคะใช่ก็คิดว่าจะกระโดดได้นะ อ, อันนี้อันนี้ ก็เี๋ยวไดพวกเราอธิษฐานจิตกันเองตกลงใจก็ไปเสนอเพ่ะท่านผมก็จะรายงานบอนบอว่าคณะชาตกรณ์นี้นี่เป็นสิ่งโอกาสพูดในใจไม่ใช่เป็นเป็นโจทย์ศึกษานะเป็นโจทย์จริงๆเลยนะเขาโอกาสค่ะเขาโอกาสนะคะอย่างอย่างที่เคยทํางานประสบการณ์จากจากทกศนะคะคือชาวบ้านยินดีจะรองรับงานของเรานะคะจริงๆแล้วเขายินดีจะรองรับแต่ที่นี้การประสานงานอย่างอย่างอย่างที่หนูอยู่เคยอยู่กลุ่มร้อยเอ็ดอย่างนี้นะคะ พอไปสารงานบอกว่าให้ทำเข้าอินซีเข้าไรสารแล้วทีนี้พอเขาทำให้ไม่มีตลาดรองรับนะพูดได้สวยหรูนะบอกเขาว่าทำมาเลยทำมาเลยเท่าไหร่ไม่อั้นแต่พอเขามานี่เขาผิดหวังมากเลยนะคะไม่มีตลาดรองรับเขานี่จุดนี้นี่เขาเลิกเลยเขาบอกปฏิเสธเลยอสูกอย่ามาใช้ทำอะไรเลยนะ มันเป็นตัวนี้นะคะคือต้องมีตลาดรองรับถึงไปบอกเขาว่าให้คุณทําอย่างนี้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่แบบบอกเขาทํามาแล้วไม่มีตลาดรองรับนะคะก็ตอนนี้เราเราพูดอาจจะยังไม่พูดถึงตลาดแต่ในมิติไองานแสนตันนี้ต้องมีเรื่องตลาดไห ม, มก็ก็คือตลาดต้องเป็นตัวบุกละอย่างที่ว่าบุกโดยสื่อเทมสื่อที่ว่าไม่ใช่อย่ า, าติดต่อเครือข่ายอย่างเดียวแล้วไม่มีมที่รองรับก็เด่นก็คือว่าตลาดมีข้อเสนอไหมครับเออมันเป็นเป็นวิธีการเนาะไม่ใช่เป้าแต่ว่าเป้าที่จะได้ ต่อเมื่อตลาดต้องบุกข้าวสารให้พราะม่งัข้าเปลือกมันก็มาแทนเข้าวสารไม่ได้ใช่ไหมโรงสีก็ต้องนั่งคอยใช่ไหมครับเพราะข้อวสารก็ต้องทยอยไปตลาดทั้งตลาดบนตลาดล่างหรือตลาดต่างประเทศใช่ไหมครับเอาระยะสามถ้าให้ผู้เรามองตอบว่าจะขึ้นเกินแสนได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เครือข่ายจะไปยังไงครับก็ตอนนี้เครือข่ายให้ผู้เรามองเป้าไปข้างหน้าเครือแหจะเป็นไงอา้าวยังไม่ได้มองเรื่อง เ, อเรื่องที่2เลยเอาหรือเรา นี้ฝึกถอนนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยถอนตัวนี้ว่าเชื่เส้นโลโลกุตระกับโลโลกาวิทูอันนี้เราเพิ่งถอนตัวเดียวเองใช่มครัเริ่มถอนใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวถอนให้จบก่อนสุดท้ายเราก็จะได้แสนเกินแสนขึ้นไปแสนบวกคาดว่าพวกเราเชื่อว่าจะเกินแสนใช่ไหมมีมีจะเกิน พรมันเต็มประเทศแล้วเครือข่ายแล้วตรงนี้เครือข่ายจะเป็นไงครับก็คือจะเป็นเป็นอาศกมากขึ้นอีกใช่ไหมอ่าก็คือจะมีเครือข่ายเครือข่ายก็จะยกยกยกแตนี้เป็นไปได้ไหมว่าอาศกจะไปทําให้หับต่างๆเนี่ยสมมติว่ามันเป็นจุดๆอย่างเงี้ยแล้วอันนี้อันนี้เป็นอาศกนะครับเป็นสมุติอาศกนี้ทั่วประเทศ9้าแห่งเก้รือยสแห่ง พอขยายคือขายเต็มคือขายเต็มมันก็จะแล้วตรงนี้เราก็ไปทําให้เขาเนี่ยย้ายออกจากอโศกตรงนี้ก็มีโศกเล็กใช่ไหมก็คือให้เขาเข้าสู่บุญิยมใช่ไหมลดละกิเลสตามข้อเสนอของของโสนอันนี้มันก็ต้องทําแผนที่ว่าโศกแต่ละศสนอยู่ที่ไหนแล้วก็ขยายออกไปอย่างไรแล้วก็คิดจะปักคําว่าหับเนี่ยมีใครใช้คาําภาษาอัเกฤษว่าก็คำคำวิสารว่าอะไรหับเนี่ยศูนย์ คับคือคือก็อคืออโศกตรนี้เป็นหับอยู่แล้วใช่ัหมทิรทตินตอนนี้พูดเรามาจากทุกอโศกใช่ไมก็เรียกเป็นหับเป็นศูนย์กลางใช่มแลเราก็ไปสร้างศูนย์กลางน้อยขึ้นมาอีกใช่ไหมครับก็เรียกว่าหับที่หลายหลายคนใช้เนี่ยมันก็มีหับหับตอนนี้เรากล่าวว่าจะมีหับจากเก้าหับเนี่ยเป็นสักเท่าไหร่ครับหรือว่ามองไม่ชัดชัดไม่อยากตั้งเป้า อขอโอากาสครับครับผมว่า เ, ออเรื่องเรื่องฮับเนี่ยครับตอนนี้คือมันแค่การวางแต่เป้าเป้าที่เห็นเนี่ยอนาคตมันไปไกลกว่านี้นะเพราะว่าเนื่องจากสภาวะจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศเนี่ยมันต้องมุ่งมาทางเราแน่ๆนะครับ จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ยังเชื่อว่าที่ที่ทททอาจารย์บอกครับเราเป็นตัวจริงไม่ใช่คอสชอไม่ใช่ของคอสชอที่เขาเป็นนะเพราะฉะยังไงจริงๆแล้วเราก็เป็นตัวจริงอยู่ในในในลนักษณะการทํางานแต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการที่เราจะไปให้ถึงเป้ามากกว่าแต่เป้าผมว่าเราเป็นไปได้ครับเป้าตรงนี้เป็นไปได้<อ>ยังมี<อ>ความเชื่อมั่นอยู่ เอาว่าเอาแสนตันเราคิดว่าเป็นไปไดาเราทะลุแล้วก็กอย่างน้อยก็จะมีอโศกเป็ น, เ ป, นเป็นฐานอยู่แล้วก็ขยายออกไปเป็นหับนะครับก็บงรอบที่ทสองหับตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นรอบๆอบอโศกแต่และอโศกก็แต่ประเทศเนี่คอสชอตัวจริงนเนี่ยยึดประเทศเลยค <ขอ S 2> ิด<ข>อํ <ขอ S 1> านาจอะไรครับอํานาจปืนเรืออํานาจคุณธรรมครับครับข้อการค่ะาจารครับตอนนี้เดี๋ยวเร า, าไล่ไอาํานาจธรรมเราว่าเราจะถอยลงมาเป็นยังไง ข้อการนิ่หนึงก่อนได้ไหมคะค่ะต่อเ น, นื่องกับคุณเพชรพลังนะคะคช่วงนี้ถ้าจะให้เราฟันธงหรือว่ากะเกณฑ์วางหมากลุกไว้มันยังเป็นโอกาสไม่นิ่งคะ่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เหมือนบ้านเมืองเรากระลังกระลังพึ่งปรับและก็ตอนนี้อยู่ในเขตที่ช่วงสพ ท, ที่ก็มีแนวโน้มว่าไม่ว่าจะเรียกว่าผู้คืนความสูงให้แก่ประชาชนหรือผู้ควบคุมความสงบแห่งชาตินี่นะคะก็มีแนวโน้มว่า ดิฉันฟังข่าวว่าวันนั้นว่าให้ประชาชนเนี่ยเลิกใช้ยาพิษแล้วก็ใครมาขายยาพิษก็จะมีการจับไม่รู้ว่าเล่นความจริงหรือเล่นละครหลอกเด็กแต่ดิฉันอยากภาวนาให้เป็นจริงนะคะแล้วก็บอกว่าให้มาเจริญรอยตามพระราชดำริของในหลวงคือเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สนับสนุนให้ชาวนาะใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะก็มีแนวโน้มว่าถ้าเหมือนเหมือนที่พูดไว้นี้นะคะ ว่าโอกาสที่เราจะสารต่อหรือขอเชื่อมหรือว่าประสานกับประชาชนที่มีเครือหแห่เดิมๆเ ม, เมื่อก่อนที่ที่ไหลผ่านไปนั้นะคะให้หววกลับมาได้เป็นแนวโน้มอีกอีกวาระหนึ่งแต่แรงเสียดทานระหว่างกึ่งต่อระหว่างความแตกแยกทั้งเศรษฐกิจที่วิบัตินะักการเมืองวิบัติ ศิลธรรมวิบัติจะได้ทำวิบัติอะไรวิบัติหมดในอาเซียนเราเป็นประเทศที่บ้วยที่สุดแม้แต่กัมพูชาเราก็ยังเป็นรองเขาดิฉันก็ไม่อยากฟันธงหรือไม่อยากคาดหวังว่าอาจจะเอาให้เป้า3ปี5ปี7ปีจะได้แต่คิดว่าต้องเชื่อมอย่างดีที่สุดในในช่วงที่ค อ, อสชอเปิดโอกาสและพวกเราก็รวมเป็นวอนอบอแล้วก็อาจารย์ก็เมตตา ม, มาเชื่อมแล้วก็พระโพธิสต์ก็เริ่มจุดนี้นะคะ ก็ไม่อยากให้อยากให้ว่าต้องคาดหวังไหมแน่นอนต้องมีการตั้งเป้าแต่ตอนนี้บ้านเมืองยังไม่นิ่งค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองรัฐธรรมนูญฉบับทดลองจะใช้อยู่ไม่กี่วันนี้เดี๋ยวจะเป็นอะไรมาอีกไม่จะเียอยู่เห็นด้วยนะครับว่าปัจจัยแพดอกยังไม่นิ่งแต่เราไม่ควรยอมสยบเพราะเราใช้อํานาจ่ะอํานาจทำนี่อยู่ในห้องนี้ครับใช่ครับแม้แต่เราสยบปุ๊บเราก็เป็นคอร์สอบคุณค่ะไม่สยบค่ะแต่เล่าสู่ฟังค่ะว่ามันมีผลเชื่อมกันค่ะอันนี้แต่ถ้าเรา บอกว่าบอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องอํานาจธรรมซึ่งไม่อยู่ที่อื่นเลยอยู่ในคนทั้งห้องเนี้ยแล้วก็ชาวโสกที่ไม่ได้มาเนี่ยมันอํานาจธรรนี้ไม่มีใครสั่งใครได้แล้วไม่มีตัวแปรภายนอกบังคับเราได้แต่เราจะไปไหมล่ะอํานาจธรรมที่เราอยาครับเชิญครับมันอ ข, ขอขอว่าอันนี้อันนี้อย่างไรก็ต้องตั้งเป้าไปงั้นเดี๋ยวนาโตใ้ใช่ครับใช่ครับขอขอโอกาสเพิ่มเติม น, นิดนึงครั บ, รบสิ่งที่อาพูดมาทั้งหมดนะครับเป็นจุดแข็งที่เรามีทั้งหมดเลยเราสามารถ เข้าไปทำให้เป็นแบบอย่างเลยทั้งปุ๋ยทั้งเคมีทั้งข้าวทั้งอะไรทุกอย่างเรามีให้เขาทุกอย่างเลยครับถึงแม้เราไม่มีแรงงานเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นแรงงานได้ด้วยการขบวนการที่เราทำเสนอแผนออกไปเนะี่ยยิ่งเขาไม่มีโอกาสเรายิ่งเข้าไปช่วยเนะี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่าเราจะทำอะไรให้เกิดอะไรผมจะบอกให้ผมวิเคราะห์ แนวหนึ่งว่าคอสชผดยุคใช้ปืนใช้กฎหมายเนี่ยเข้าไปไม่เป็นแล้วคือสิ่งที่อโศกรอจังหวะคือจังหวะสาครับทําไปเลยจังหวะที่คุยนี่คือจังหวะหนึ่งจังหวะสองเราไม่นิ่งเราก็มึงไม่นิ่งแต่เรานิ่งงันจังหวะ3มอยู่กับเราจังหวะที่จะยึด เพราะจะังหวะสาปืนเล่นไม่เป็นคือช่วงนี้เขาเสนอสอนชให้เขาเสนอไปเราเสนอแผนปฏิรูปประเทศไทยเงี้ยค่ะ ใ, ให้สภาปฏิรูปป ร, รประเทศไท ย, ไ, ทยไปเลยนี่มันเปลี่ยนฐานเลยประเทศเปลี่ยนที่ท้องด้วยที่ฐานแล้วที่สําคัญคือคอสชที่ทางเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนใจคนสิ่งนี้อโศกมีมศสมศ40ปีทุกท่านเนี่ยกำลังพูดกันตัวที่ว่าอาธิเสนเนี่ยคืออะไรสิ่งนี้คอสชอเขาเย็นมากค่อีนูกระเล่ากระกรอบกำเนิน พูดตรงๆเลยหลั ง, ลงเบื้องหลังของน<ข>ายพลส่วนใหญ่เป็ น, ปนอย่าง น, งนี้นะครับเพรนอันนี้ผมเชื่อว่าเรากำลังพูดกันว่าเราจะเกาะ ก, การใหญ่หลังจากที่มันนิ่งแล้วเพราะมึงไม่นิ่งนั่นมึงแต่เรานิ่นงแ ล, แล้วในฝ่ายสื่อของเรานะเราเก็บข้อมูลทุกเรื่องเลยค่ะเรื่องเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างนะคะตอนนี้ฝ่ายสื่อเรากำลังเตรียมพร้อมะค่ะ ในเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมแล้วเรารู้ด้วยฐานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ท้องอยู่ที่สุขภาพอยู่ที่คุณค่าอะไรเพราะตรงนี้กว่าจะจับวินจบนี่ก็จบที่วินพวเขาจะเสนอสนชแล้วก็เสนอแผนของเราเราเปรูปร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วในทางกับการถ้าเราเสนอแผนไปเนี่ยเขาไม่ไปตอนไปจะทิ้งใบที่3าไม่เป็นระบอกนี่ไงคุณจะเอาไหมของดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเขาจะโฉบไม้ให้เลยบอกแล้วเราจะเป็นคอชตัวจริง ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ไปต่อนะตอนนี้มาทอนเรื่องที่ยากแล้วถอนนั่นจะเห็นด้วยว่าปัจจัยภายนอกมีความไม่นิ่งใช่ไหมแต่เราจะไปให้ได้แล้วรอจังหวะที่นิ่งตอนตอนที่มึงเริ่มทําให้เป็นก <c oughs> ูจะทำให้ดูเพราะฉั้นตอนนี้เราเึงกะกะโผล่ตอนนี้ไงใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยสปีนี้มันอาจจะนี่ปีครึ่งเนี่ยก็หมดแล้วคอสช อ, อาจจะทอดร่องมาอีกไม่เป็นไรครับ ท อ, ทอนน้องมาอีกแต่สามปีเกิน <S <S <ๆ>เกินก็แรง ก, กดดันสูงละ่ะแต่ตรงนี้ของจริงประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมามัน3ปีนี้ก็เป็นจังหวะที่ผู้เลื่มขอสชอซึ่งเราจะขึ้นได้ใช่ไหมครับเอออย่าพูดกันเยอะครับพูดคนเดียวเดี๋ยวผมใครพูดยกมือผมให้ใหม่เลยมันเอาว่าประเด็นตอนนี้ตอนนี้เราเราเอาว่าจะทอนไหมผมเพราะเรื่องทอนอาที่เจ็ดอาที่สี่นี่มันมันไม่ง่ายโลกาวิทูก็กับอไอ้ตัวเนี้ย ตัวตัวอธิจิตอธิศินอธิปัญญาเนี่ยมันถอดยากลู ก, กวิทูอาจจะถอดง่ายหน่อยว่าระหว่างการเท่าทันโลกกับการแสดงให้เป็นการเมืองอริยะในท่ามกลางคอสชอ .1 นกับคสชอ .2 อหเนี่ยมันเราจะทําให้ดูยังไง น, นี้เราจะกําหนดรูปประทับไครับวิบืีออกมานทิดึงว่าจังหวะที่คอสชอหมด2ไพ่สใบเนี่ยใบที่3เราจะขึ้นใช่ไหมครับเหมือนตรงนี้โอกาสไหม เพราะนเป้าก็คือว่าตรงนี้เราจะใช้เสนอแผนเราเข้าไปตรงนี้คือโลกาวิทูนี่นะถ้ามาถอดตรงแดงตรงนี้ตรงนี้เราจะคือ ค, อ, ค อ, อสชอตัวจริงจะโผล่หน้าละโผล่ทั้งแผนโผล่ทั้งการเครือแห่ของเราที่จะทํางานถ้าถ้าพวกเราเห็นนะว่านี่คื อ, อตัวโลกาวิทูคือการแสดงตัวเราทั้งเรื่อการเมืองอาริยะแล้วก็ เราเก่าวิธูด้วยแล้ก็เราก็ไปเตรียมบอกว่าเออขึ้นจีจีจะเอาเงินลงมาทุนจะเพิ่งขายที่นานะขายที่นาไม่มีธี่ทำใกล้เสรใช่ไหมครับก็เราก็ไปสู้ตรงนี้แตนีออ้วันนี้คงไม่มีเวลาแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นไหมครับถ้าเราพูดถึงคสชที่ไม่นิ่งแต่คสชนั่นคือคอสช1แต่เราคือคอสช2แล้วกันจะเป็นพวกเราตัวจริงแล้วนะนะคสชก็จะขึ้นมาขึ้นฐานล่างไม่ได้ขึ้นด้วยอํานาจขึ้นด้วยวิธีการผลิตของเราของบุญนิยม คือนาบุญที่เห็นที่เราพูดกันมาประเด็นตอนนี้ถ้า6ตรงนี้แหละครับถ้าถอนมาถอนใอ้โลคกาวิถีตรงนี้เราจะเป็นไรครับผมนึกไม่ออกการศึกษาจะทํำยังไงเี่ยไม่ได้พูดถึงเหมือนกันว่าจะถอนเรื่องโล ก, ก่าวิถีให้การศึกษาของเราไปเท่าทันโลกได้ยังไงอันนี้อันนี้ก็ต้องไปคิดย่อยนะครับแต่ว่าถ้าการศึกษาไม่ไ ม, ไม่ไม่วางเครียกโรลดแบบนะมันก็เอ๊ะกระทรวงสั่งให้ทําึงก็ทำก็กสชสั่งอะ่ะ เราต้องสั่งตัวเราเองกันในในในในบุญนิยมอาจาครับอาจารย์ฮะออไอที่นโยบายข้าวแสนตันเนี่ยผมว่ามันคงจะบูรณาการไปด้วยกันหลายหลายตัวนะฮะผลิตภัณฑ์ของชาวโขกเนี่ยใช่มันมันคงไม่ไปเดี่ยวเดี่ยวแสนตันข้าวอย่างเดียวอย่างที่ตอนนี้เท่าที่ฟังนโยบายของคอสชอเนี่ย เขาจะโยนเรื่องปุ๋ยมาให้ทางทางกโ s o เนี่ยทีนี้ปุ๋ยต้องเป็นหมื่นล้านนะฮะเห็นเขาจ ะ, ะกระจายมาทางทกศมาทางอะไรเป็นเป็นฝ่ายปฏิบัติทีนี้ผมว่าไอ้ที่ข้าวแสนตันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กถ้าเราสามารถที่จะไปเชื่อมกับหน่วยงานเก่าที่ทกศเขาก็เคยใช้บริการเราฝึกอบรมสัญจรทำชีวิตเนี่ยเครื่องแหย้อนนั้นน่ยมันจะไปได้เร็วเลยเพราะว่ามันมีลายมันมี เครือข่ายเครือแหเดิมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้พูดอยู่แล้วครับพูดไปแล้ว<ะ>มีทรกราศา ม, มีวิวัฒน์สังมณฑรมีใครต่อใครมีพวกเอ็ิก็เยอะมากนั่นแหละฮะผมก็เลยว่าพวกปอตอปเ<ไ>ปาา้าแสนตันนี่ดูแล้วมันอาจจะเล็กมันอาจจะเล็กด้วยนะฮะครับนั้นไม่มีประเด็นใหม่เพียงแต่ว่าคือตรงนี้มันเป็นกระพวนคือไอไอโจ์ปุย๋ยโจทย์สมุนไพรมันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นของแต่เราถ้าเราทําของก็ได้คอสชอหนึ่งอะ แต่เราคสชสองเราต้องทําให้เป็นไม่ใช่ให้เป็นบุญนิยมคือที่เราคุยกันนี้เพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นมูลเป็นคุณเป็นมูลค่าเป็นคุณค่าให้หมดใช่เพราะฉะนั้นไอ้ข้าวเราจะไปติดกับดักว่าพอเพอเอาปุ๋ยมาเยอะมากนี่แต่เราเอาปุ๋ยมาเปลี่ยนเป็นไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้าใช่ไหมให้ปุ๋ยมามาคุยกับชาวนาเราเอาปุ๋ยอินทรีย์จากเราเพราะถ้าถ้าคสชบอกอ้ารับปุ๋ยมาถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเราเอาไหม เหม็มเพราะไม่ใช่ทางเราทางเราคือพ้นจะป่วยอินทรีย์คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับเป็นเรื่องคุณค่าที่สูงขึ้นไปเรื่อยมันประเด็นนี้ก็คือเราต้องเลือกเหมือนกันว่าคสชหนึ่งจะมอบโจทย์อะไรให้เราเราจะทำอย่างผมเนี่บอกผมไม่เอานะครับคอสชอหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่มีเงื่อนไขที่ผมเห็นด้วยผมก็ไม่ยุ่งเพราะว่าเรายุ่งเราไม่ใช่ทางเราเาั้นผมเชื่อว่าชาวโศกก็คงจะเลือกจะร่วมกับคสชเรื่องอะไรและไม่ร่วมเรื่องอะไรใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นบุญนิยมคุณค่าหาย เราก็เป็นแรงงานรับแรงงานที่ถูกหลอกอะ่ะพูดตรงๆเลยอะ่ะแล้วก็ถูกด้วยถ้าผมพูดแทนก็ได้คอสชอเพราะเอาโศกไม่มีต้นทุนและไม่มีคอร์รัปชั่นที่อื่นนี่ทั้งคอร์รัปชั่นทั้งแพงแล้วเผิ่ไม่ถึงชาวนายด้วยเห็นไมเพราะฉนั้นโศกก็จะใครเป็นทหารทางค อ, อ, อโอโศกนี่เขาก็จะอยากให้ชาวาโศกมาร่วมแต่ถ้าชาวาโศกไม่เห็นความแข็งตัวเองเนี่ยก็จะไปรับกองง่ายๆเสร็จเขาอีกเห็น ไ, ไหมครับเชิญครับขออนุ ญ, ญ, ญาตนะคะ ขณะนี้เขากําลังหลีมาดูเราว่าเราทําอะไรที่ที่มั น, ม, นมันประจักษ์ชัดนะคะไม่ใช่เหมือนเหมือนที่เราอบรมอสกศแล้วตอนนี้คณะทํางานที่เราทําคอร์สสุขภาพมันทั่วประเทศแล้วทุกคนต่างก็ฟังหมอพูดเพราะว่าถ้าคุณกินนั่นที่มีสารพิษเมื่อไหร่คุณคือเจ๊งคุณจะเข้าคอร์สเท่าไหร่คุณคือป่วยเหมือนเดิมเขาก็ต้องไปกระตุ้นที่นักเรียนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาเข้าคอร์สกับดิฉันก็คือจะเป็นครูเป็นส่วนใหญ่นะคะครูแล้วก็หมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ควจะไปขายยายต่อขยายผลขยายผลขยายผลเน้นว่าไม่ยากเป็นความฝันที uh> ่ไม่ยากเลยก็บอกเราทั้งหมดเราต้องเล่นในเกมของเราไม่ใช่รับไปเล่นในเกมของเขาหรือของมึงคุณพระทราบผมเนี่ยใช่ไหมเราต้องเล่นในสนามของเราสนามบุญของเราในนาบุญของเราเราะนั้นเรื่องสุขภาพก็อยู่เป็นในส่วนหนึ่งของคําว่าแสนนี่ละกันผมพิจาว่างานนี่มีงานเยอะแยะแต่งานหลักคืองานโจทย์ใหญ่ที่เราจะพูดกันเนี่ยเป็นตัวอย่างว่า เราจะค่อยๆทอนอย่างไรแต่มันมีเรื่องสุขภาพอีกจะค่อยๆบุกเข้าไปยังไงใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ฟังว่าทุกคนใช้แนวแนวรูปบดเพราะว่าทุกคนตั้งเป้าว่าจะเป็นเ7จังหวัด่ะใช่ไหมครับสุขภาพก็ออกไปรูปค่ายออกไปรูปต่อไปโฮมออกโฮงปัวก็จะออกไปห้องปัวในแบบหม้อเขียวเยอะไปหมดเลยเห็นไหมครับโฮ่งปัวไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทําเป็นแฟลนชัยเป็นมีตังมีเตินก็พวกพวกเอาเงินตั้งก็เอาก็ก็ไปคิดตังกันแพงพวกของเราก็คิด ไม่คิดเลยอย่างงี้นะครับก็อันนี้คงไปได้นะครับแต่นี้ผมปรึกษาเนี่ยว่าคือวันนี้พยายามจะที่คุยกันคือให้เราหาจุดถอนย่อยๆเพื่อเพื่อเป็นเข็มทิศในการเดินหาหาหาหาหลักกิโลอะ่ะแต่นี้จะนี่จะไกลสามงนี้ไอ้ตรงนี้จะทำไงครับถ้าตรงนี้เอาตรงนี้จุดจุดหลักก็คือเราเห็นแล้วว่าช่วที่กอสชอจะต้องถ่ายโอนมาเป็นกอสชอพวกเราละ ตอนนี้ตรงนี้พวกเราเห็นเห็นยังไงครับลางๆฝึกฝึกมองเป้าใชครับว่าจะไงเรื่องเรื่องโลกกวิถูเนี่ยไม่อยากคิดไม่อยากคิดก็เดี๋ยวมันเพอเมันหนาโตมันทําเมาหมัดไปเลยอ่ะไม่เคยคิดก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นการระดมกดันดูใครใครยกมือเอ่ยมาทางนี้ครับไม่มีคนเดินใหม่ไหมครับถ้าจัดระบบปุ๊บไม่ต้องวิ่งปับ๊บอ่า ขอโอกาสค่ะถ้าในเรื่องของศินเนี่ยถ้าเราจะทอนนะคะครับเอ่อที่เราตั้งไว้สูงสุดก็คือสกิทาคามีคือศิน8บริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราจะทอนในช่วงของสามปีแรกเนี่ยค่ะอ๋อเอาเรื่องการศึกษาก็ไม่เป็นไรเอาอยากพูดเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเรื่องศีลอยู่ก็เลยต่อศีลให้อาจารย์เลยนะคะเพราะว่าเธอรู้กับวิทูมันยังไม่ไม่ชัดก็จะเอาเรื่องสินให้หรือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไม่รู้จะทอนยัง มีสามสีอะสาม <3 S 1> า, ายค่ะเรื่องศินเนี่ยถ้าเราตั้งไว้ที่ศิน8ดบริสุทธิ์เลยอธิศินคือสกิทาคามีถ้าเราจะถอนในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเป็นโสดาบันนะหรือหรืออาจจะเป็นปโสดามันจะแบ่งออกเป็นโซดาปฏิมักและโสดาปฏิผลเราอาจจะสามปีแรกอาจจะโสดาปฏิมักอะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะใกล้ๆจะเข้าไปหาผลอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องแบ่งเฉลี่ยปีนะคะเฉลี่ยจํานวนปีก็คือสีห ที่เป็นมัก ค, ค่ะโสดาปฏิมัก ค, ค่ะคือเริ่มรู้ทางที่จะปฏิบัติไปสู่โสด า, สดาปฏิผลสินกี่ข้อครับนห้าค่ะสินห้าค่ ะ, คะแต่ยังไม่มีผลน ะ, เ อ, ะเอามักให้ได้ก่อนค่ะเห็นทางเห็นทางที่จะปฏิบัติไปสู่ผลนะคะเข้ากระแสโสดาบันแล้วนะคะ่คะถ้าจะถอนช่วงแรกนะคะน่าจะถอนขนาดนี้อะคะ่ะแล้วช่วงต่อไปอีกสามปีต่อไปก็จะได้เป็นโสดาปฏิผลนะคะ ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่โสสักิทาคามีมักนะคะเนี่ยเลยไม่ไม่ได้จดเลยบัตรคำนะคะอ่าตรงนี้ก็ได้อาตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นสินห้าผลนะค่ะผมใช้ภาษาที่ผมเข้าใจค่ะค่ะเชิญเชิญอาจารย์ลค่ะนี่เป็นมักนะค่ะอ่าแล้วตรงนี้ก็ทีเลก็คือไปก็เป็นสักิอ่าิน8ดเต็มค่ะค่ะสินห้าที่เบริสุดคือตรงนี้ใช่หมครับค่ะอ่าทุกคนก็มีจุดเช็คว่าเออมาถึงมักได้อย่าง สินหนะห้ามักกูไม่ขาดสักข้อเลยใช่ั้ยครับเราเช็คตัวเลยในช่วง6ปีเต็มนั่นก็อาจจะเป็นอ่าสกิทาคามีมักค่ะกำลัง9้าเข้าไปสู่มักของศักิ์าแล้วค่ะแล้วพอสิปีก็สิปใช่ไหมครับพอทุกท้ายนั่นก็เป็นสิน8เต็มก็เป็นสกิ์าคามีเต็มค่ะศักดิธากคามีผลค่ะสิน8ปก็คือที่เป้าสุดท้ายนี่เองนะน่าจะแบ่งขนาดนี้นะคะ ก็นี่เป็นการถอ น, อนเห็นไหมครับเพราะว่าตรง น, นี้มันไกลแล้วมันไม่รู้ว่าเราจะเช็คอยงง่างไงก็เฮ<ล>้ยอย่างน้อยเอาสินห้ามักให้ได้แล้วก็ศินห้าผลก็เอาให้ได้พอช่วง6ปีก็กุณดีใกล้ตายแล้วก็จะไม่ได้เพราะว่าถ้าใครมาถึงก็จะไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้<า>อันนี้เป็นการถอนถ<า>อนอาทิศย์ินนะครับตอนนี้เ<า>อากลับมาถอนอีกตัวหนึ่งรถกวิธูเนี่ยถ้าตรงนี้มาระยะ6ปีนี่จะเป็นยังไงครับ ออ6ปีเนี่ยใครใครคิดเชิญครับก็ขอร่วมสังเคราะห์นะครับก็พูดถึงโลกวิถีนะครับอาจารย์ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูข่าวก็คงจะติดตามสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับแต่ปกติก็ชอบไปไปร่วมงานการเมืองอยู่ครับก็รู้ก็รู้บรรยากาศเกือบทั้งหมดครับแต่เท่าเท่าที่ดูแล้ว มันอาจจะประเมินโดยโดยคร่าวๆนะครับว่ามันมันมันน่าจะเป็นไปได้ครับแต่ผมก็ก็รู้สึกว่าผมมีความมั่นใจว่าจุดเริ่มต้นของเรานะครับตั้งแต่เริ่มตั้งบนอนบอขึ้นมาแล้วก็มีการเคลื่อนตัวนะครับมันเหมือนกับเป็นพลังที่เรามีความมั่นใจสูงขึ้นนะครับก็ ค, คิดว่าถ้าจุดเริ่มต้นที่ดีผมว่าโอกาสที่จะมันจะจ ะ, จะก้าวหน้ามันเป็นไปได้สูงครับตอนนี้ผมอาจจะอางั้นผมถามรอเป้าเลยเราจะไปขายข้าวลาวไหม พม่าไปไหมไปแล้วจะแค่77แล้วกูไม่สนใจอะไรขยายขยายที่ไรคนไทยก็อยู่แค่ไทยอะข้ามแม่น้ำโคงไปอาจจลาไดล่าวแต่ว่าพม่าในคุมไปเที่ยวเห็นมมันเราไม่คิดออกนอกประเทศไทยนะเพราะเราคนไทยเนี่ยพูดภาษาไทยันถ้าถามว่าตรงนี้ระยะสองนี่เราเต็ม77จจังหวัดแล้วใช่ไหมครับ ระยะตรงระยะที่สมปีปีที่เจถึงปีที่สิบเนี่ยควรจะไปขยายคิดถึงการไปสร้างหับสักหับนึงในแต่ละประเทศไหมเพราะว่าถ้าเราอยากจะขายข้าวเขาว่าเราก็ต้องไปทําแบบอย่างการที่ให้เขาเห็ประโยชน์ใช่ไหมที่เป็นแปรสาธิศให้รู้จักบุญนิยมอ่าขายขายแล้วด้วยครับเพราะว่าเราว่าขอีสานนี่เขหมือนกับพ เคยเคยเป็นอดีตก็เป็นญาติญาติก <reversible. S 1> ันค่ะขอโอกาสนี่คือโลกกวิถูนะคะ <c oughs> ือเร า, าะจะอยู่กับโลกเชิญครับ <c oughs> ข, าาขอโอกาชสอาจารย์ขอโอกาสโลกกวิทู <c oughs> ด้วยนะคะในมุมมองของทีฉัน <c oughs> คือตอนนี้โลกก็ขาดแคลนอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าอาหารก็เป็นหนึ่งในโลกยิ่งข้าวนี่นะคะตอนนี้เขาเห็นคุณค่าถึงชาวนาจะวิกฤตที่ผ่านมาแต่เขาเห็นคุณค่าของข้าวที่มีคุณภาพ แล้วก็ส่วนการที่เราจะไปเชื่อมในโลกกวิทูที่เราจะลงไปทุกโอคาพยพของประเทศเรา77จังหวัดนี่เราก็มีพูดง่ายๆว่าเราก็มีทุนเดิมมีบุญเดิมกันมาก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไปโดนไม่รู้เท่าทันโลกเราจะไปโดนกลุ่มผู้นำของประเทศเราหรือกลุ่มคนอื่นๆที่มีอำนาจทุนสามานจะมากรีดเรานะคะที่ที่ทานสื่อออกไปนี่ทนหมายความว่า เรามีโลกวิถีรู้โลกของเราเราก็ไปเราไม่ทิ้งอุดมการหรือบุญนิยมของเราค่ะแต่เราจะไปเชื่อมกับเขาในจุดที่ว่าเป้าหมายที่ว่าจะเดินไปถึงไหมหรือไม่อยากฟันธงนั้นฉันก็หมายความว่าเราต้องเริ่มจุดก่อนที่ตัวเชื่อมในเหมือนกับบ้านเมืองเราเหมือนจะเริ่มใหม่นะคะ ก็เป็นเป็นใหม่ที่ดีนะคะไม่ได้ว่าใหม่แบบมุมลบเพราะว่าส่วนกลางของประเทศผู้กุมอํานาจอยู่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าเอาธรรมะนําหน้าก็เหมือนกับเข้าทางเราเลยค่ะก่อนที่ดิฉันจะมานี่ดิฉันก็เห็นทรกรสไปหาท่านสมนาที่ศิรษะโศกก็เหมือนกับว่าเขาจะมองว่ามีความหวังที่จะเหลมามอง มุมเราเหมือนกันแหละค่ะแต่ที่ว่าที่จะต้องเชื่อมไม่ใช่ว่าเราทิ้งอุดมคติของเราลืมลืมการทำงานที่ว่าเป็นไปในแนวทางบุญนิยมแล้วจะไปเอาตามกับเขานะคะแต่เรารู้โลกเราเข้ากับโลกได้เพื่อจะช่วยโลกโลกวิทูของเราก็มีหลายระดับเหมือนคุณเนียนใจว่าปฏิย้อนสภาพปฏินิสขะเราอาจจะเป็นคนถืสิ้นแปแต่เราย้อนทองลงมาได้ค่ะอะไรนะคะ จะขยายไปอาเซียนไหมหรือจะเอาจบแค่ตึกแค่ไทยอ๋อพูดพูดไหนถึงว่าจะขยายไหมใช่ไหมคะระยะนี้ระยะที่พ่านมุกไปแล้วอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เรากําลังพูดลกาภิวัตนว่าระยะแรกเนี่ยเราจะเล่นต่อจากคอสชอระยะนี้จะเต็มประเทศใช่ไหมครับเจ็ิบเจจังหวัดเราครอบเราคอสชอตัวจรงิงเจ็ดสิบเจจังหวัดตอนนีห้หลังระยะนี้ เราจะไปตรงนี้เราจะไปอาเซียนไหมมีอาเซียนเราพูดว่าเราโลกาโนกัมปาแต่กูพูดไทยทุกทีอ๋อตอนตอนนี้ขยายขายจารย์ตอนนี้เมตาภาพโดยที่งถึงไม่พูดแต่โดยรูปประทับเราก็ไปแล้วค่ะพี่น้องลาวพี่น้องขมิญเราก็เหมือนเราไปก่อนคอสชซิอีกค่ะไปก่อนจะถึงค่ห้าแปดห้าเจ็ดห้าปดเราไปล่วงหน้าก่อนก่อนประเทศไทยแล้วค่ะเราก็จะได้วางเปลว่าโดยรูปประทรบจังหวัดแรกเนี่ยเรากบดานนิ่งแล้วคสชอวิ่มหาเราเราค่อย ครบในเรื่องที่เขาต้องการครบเราแต่จังหวะนี้พลังคอสชอรเราเล่นหนักเลยใช่ไหมครับแล้วจังหวะนี่คือจังหวะที่สองจัด17จังหวัดเราปูพื้นเลยทุกคนเชื่อว่านว่า17จังหวัดอยู่ในมือจับจับมือกันแนวร่วมอันนี้ก็คือโลกกวิถีแต่ระดับประเทศไทยทนั้นเองแต่จังหวะนี้ก็คือการขยายไปโลกใช่ไหมครับอย่างน้อยก็าอาเซียนเราเอื้มอมเอื้ออยู่ท่าอาจารย์เรามีฐานของเราค่ะ ค่ะเร า, ามีฐานอยู่ค่ะาจารย์ที่ดิชันสื่อ น, นี้ดิชั น, น, น, นหมายถึงแรงและความเป็นไปได้คนมีทุ น, นบุญมี ค, ำค้ำของเราค่ะคือประเด็นคือคือคือ่าโลกวิธูนี้ให้เราเห็นเห็นเป้าค่ะเห็นเป้าว่าคำว่าโลกมันใหญ่มากเราก็าขยับโลกก็คือจากก้าวโศกใช่ไหมครับก็มา77ก็มาอาเซียนใช่ไหมครับแล้วจากก้าก็ขยายไปอย่างนี้มันมันจะได้เขาเรียกว่า เต้าที่ทอลงมาคค่<อ>่ผม<อ>พูดโลกวิทูมันจหญ่ใช่ไหมครับแล้วในอนาคตอาจจะมีญาติธรรมที่ภาษาอังกฤษมา ก, ก็ไปดูว่ามีญาติธรรมอยู่ที่ประเทศไหนก็อาจจะไปเริ่มเพราะสื่อจี้ก็ใช้วิธีนี้สายสัมพันธ์ผมก็ใช้วิธีสายพันธ์ตอนนี้ผมไปขเขมรแล้วไปลาวแล้วบุญนิยมเมื่อเขไปเดินมหาวิทยาลัยก็ใัยคนที่<อ>จเจอครับศัยคนที่เคยเคยเคยมีใคร ม, มีมีการพูดกันอยู่เหมือนกันครับว่าอาจจะมีอโศกในต่างประเทศครับ ไ ม, ไม่ไม่หมายถึงว่าเป็นเป็นพุทธสถานน่ะโ ล, โลกาวิถีไปในต่างประเทศเคยคุยกันว่ามันน่าจะเป็นไปได้<ๆ>ครับ อ, อ่ะตอผมผมสัญญาจะเลิกสาโมงครับเพราะว่าเหลือกนาทีเจ็ดนาทีเชิญครับค่ะเขาการ น, นะคะันดูดูตรงที่คำว่าศีลงานและวิชานะคะอาจารย์ปรยาซึ่ง สัดส่วนที่พ่อครูให้ก็คือศีล40์งาน35และชาวิชาย25ในความคิดของนี้มีความรู้สึกว่าในทุกช่วงของการก้าวค่ะที่จะไปสู่ระยะทางตั้งแต่ปีแรกจนถึง10ปีเนี่ยนะคะเราคงจะต้องมีวิชาค่ะวิชาที่จะรู้เขารู้เราตลอดเส้นทางนะคะแล้วแต่ว่าเส้นทางนั้นจะอยู่ที่จุดใดโดยพิจารณาดูที่โลกาลูกกรรปาเป็นหลักก็ได้ค่ะที่อาจารย์บอกว่า เก <9, S 2> เครือข่ายเคยือแห7 7อะไรเงี้ยนะคะตรงนั้นล่ะคะ่ะเราก็จะสะโขความรู้ที่จะเอาไปใช้จริงๆตรงนั้นให้มีความรู้เขารู้เราตลอดเส้นทางคะ่ะั้นมองในใ น, ในมิติบแบบนี้นะคะทีนี้ะจะจบด้วยคำถามสุดท้ายแล้วก็ประมาณ3มโมงห้ามพูดยาวนะครับว่าบทบาทวนบบหรือการศึกษาแล้วตอนนี้เป็นเรื่องที่วนบอถูกคาดหวังว่าให้เขามามีส่วนขับเคลื่อนสาคัญด้วยการศึกษาถามว่า ไอ้ที่ตัวชี้วัดเหล่านี้ไปวัดใครครับวัดบอลบอเพราะฉะนั้นบอนาบอลจะมีส่วนทั้งถอดความรู้ที่ของอโศกเองแล้วก็วัดกันเองจะทำได้ได้จะทําหรือไม่หรือใครจะทําครับผมเขียนคําถามไว้ก็ยังยังเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องแตกไปทําฐานจะหมดแต่ว่าทุกคนมีแต่ว่าตัวการศึกษาที่จะทํำไหมครับคําถามผมเชิญตอบครับ พี่ให่จะตอบก่อนไหมคะถามพวกใครที่เป็นเรื่องการศึกษาด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหัวใจเลยเพราะว่าการวัดนี่ไม่ใช่คนอื่นมาวัดนะครับคนในวนบอนนี้ต้องรู้จักค่ะขอพญามณีถอนเป้าค่ะแล้วก็ตัวชี้วัดที่น้องเขาพวกเราสกัดมาได้ก็ใส่กันไว้ในแต่ละระยะผมก็เขียนมันก็คือเป็นตัวชี้วัดในความคิดของนิสิดว่าก็คงจะต้องเป็นฝ่ายกัน ฝ่ายวิชาการของวรบค่ะทีมฝ่ายวิชาการของวนบจะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมสุดท้ายหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะหรือการบรรลุเป้าหมายในสามทายนี่ยนะคะแล้วทําพฤติกรรมทําสิ่งที่จะวัดนั้นออกมาเป็นพฤติกรรมที่วัดได้ประเมินได้แล้วก็วัดตามภาพรวมบบนี้แล้ววัดตามภาพรวมเพว่าตามจังหวะก้าค่ ะ, ะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เพื่อเราเป็นนักศึกษาแบบ อย่างนั้นอย่างเดียวแต่ว่าเรากำลังปฏิบัติทำและปฏิบัติโลกด้วยให้มันเคลื่อนไปให้ได้ น, น, นั่นหมายความว่าเรียนธรรมอาจารย์นะคะนั่นหมายความว่าสมปีเราก็ประเมินครั้งหนึ่งอย่างนั้ น, น, นใช่ไหมแล้วต่อไปจะไปทปําเป็นเป้าปีไหมหรือจะเป็นเป้าปีใช่ไหมแต่นี้ผมคิดว่าวิธีง่ายก็ถอนยังถอนกว้างๆไปก่อนแล้วก็แล้วทุกงานาไปถอนเป้าปีไหมปุ๋ยก็ไปถอนใครดูแลปุ๋ยก็ไปถอนเป้าปีแล้วก็ใครทําข้าวก็ไปทําเป้าปีไหม S <S มันก็จะเกี่ยวโยงอย่างที่เราทําเรื่องลงสี <c oughs> ไปใช่ไหมครับ <c oughs> แต่เป้าปีมันก็จะออกมาเป็นเป้าปีแล้วปีต้องทอนอีกเป็นเดือนไหมเพื <c oughs> er ่อ <c oughs> จะมาให้หมัดเมาอะ่ะเอ้ยไม่ให้เมาหมัดอะ่ะไม่ให้เมามัดมันก็จะเพราะมันมีเป้ากํากับตัวเองเจ้ ก, ก็บอกเอ้ยอันนี้อะไรสาคัญกว่าอะไรอั น, นี้เป้าเฉพาะส่วนใช่ไหมครับมันกต็ต้องทอนเป้าแต่เป้านี้คือเป็นเป้าร่วมกันของทั้งทั้งทั้งทั้งพวกเราก่อนแล้วต่อไปก็แต่ละโศกก็ต้องไปตะวังเป้าของตัวเองว่า ผมรับมามืกี้ปาติ้วลับมาเท่านี้เอาก็นี่เขาปาติว้วเขาตั้งเป้าแล้วเขาต้องรับไปพันนักสุขก็รู้ว่าเออ น, นี่เป็นตัวเลขนะครับซึ่งผมคุณง่ายแต่ถ้าเป็นอธิจิตอธิสินไม่ต้องว่ากันอีกแบบหนึ่งท่านสมณนะก็จะมาบอกว่าเออต่อไปต้องค่อย เ, อ เ, อ เ, อเอมือม่อเมื่อยมว่าเป็นศินห้าสินห้น 5, มามรักสินห้าผลเป็นสินแปอัตมาก็จะสอบตามนั้นสอบอารมณ์ใช่ไหมครับนั้นมันก็มีตัวบอกที่พวกเราไปบอก ท่านครับบอกตัวเองถ้างั้นเรียนถามอาจารย์ในฐานะที่เรียนก็คงจะจะอยู่ในฝ่ายวิชาการของวทบอเนี่ยนะคะอยากเรียนถามว่าการตั้งเป้าและการวัดประเมินผลที่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้ประเมินได้เนี่ยค่ะถ้าเป็นเดือนมันควรจะเป็นเดือนเดือนนี่จะถี่ไปหรือเปล่าหรือต้องเป็นปีหรือจะมีอะไรเป็นปีก็ครบค่ะแต่ว่าเพราะการศึกษามันจะมีเทอมมันมีมีวัดหลายอย่างค่ะ วัดที่ mm hmm. มีการพูดคุยกันเป็นเทอก็มนเรื่องการศึกษาแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นเดือนหรือเป็นปีก็แต่ว่าวันนี้ทําแค่สามปีให้เห็นว่าหลักวิธีการถอนทํำยังไง <c oughs> ก็คุยอย่างเงี้ย <Okay. S 2> เ, เราก็หาลงความคิดถอนกันเพราะมันคิดคนเองคิดคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นฝ่ายการศึกษาก็ค ง, งต้องใช้วิธีปรึกษาเลยกับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเป้าของเขาว่าไม่ใช่เป้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมกําหนดเราก็กําหนดคนเดียวแล้วเ ข, เขาก็ไม่ทําใช่ไหมครับเขาก็หนาโต อาจาย์ครับยกมือยกมือนั้นอันนี้ปรเป็นก็คือจะไปต้องไปทุกคนต้องไปช่วยทอนต่อไปก็ทอนแต่ละโศ<อ> <Soul> กสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือทอนแต่ละโศกใช่ไหมครับว่าแต่ละโศก ท, ที่ที่ที่ที่อยู่ที่อื่นแทบถ้าไม่ใช่วนาบอนะครับเพราะว่าชาววาบอนี่ไม่ใช่ชาวโศกทั้งหมดนะใช่ไหมเพราะเรื่องนี้มันเป็นแผนการใหญ่ใช่ป่าวใช่ไหมมันก็ต้องไปสื่อสารกับชาวโศกที่ไม่ได้เป็นวนาบอและไม่ได้มาร่วม แล้วก็เรื่องการศาึกษาเนี่ก็ต้องไปเข้าระบบการศาึกษาว่านั่นจะวัดผลอย่างไรในวอนบอมแต่ว่ามันการเคลื่อนใหญ่คราวนี้มันต้องมีการหาหาจังหวะ ก, ก้าร่วมกันค่ะถ้านครับนี่เรียนถามท่านอาจารย์ตรงนี้เลยนะค ะ, ค, ะคือตอนนี้เราจุดเริ่มต้นเราอยู่ที่ราชธานีอเนกสงใช่ไหมคะครับค่ะหมายว่าเซ็นเตอร์ตรงกลางนั้นแด ง, แดงๆที่อยู่ข้างบนนั้นคือ ค, คืออะ ราชธานีโศกไกลๆใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ข้อท่านสมนานะแต่จุดเริ่มต้นเบอร์หนึ่งอยู่ที่ราชธานีโศกใช่ไหมคะก็อันนี้คือผมยกตัวอย่างว่าคือใช่ตอนนี้ก็เป็นต้นแบบนี้ไงราชธานีโสกเพราะฉะนั้นตรงกลางกับราชธานีราชธานีโสกดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะมีการระดมเครแหเหมือนมันเป็นห้องแลับด้วยกันพอเรียนรู้อะไรก็กลับไปเพาะฐานตัวเองนี่เป็นเพราะท่านกําลังเพาะกล้าเหมือนเหมือนดำนาไหมดำนาก็ต้องทำนาทํากล้ารวมก่อน การหลวงก็คือทําที่ราดทารียาโสอันนี้ทุกคนมาเป็นกล้าที่นี่เพราะกล้าโตพอก็กลับไปใช่ก็ดับกลับไปดําที่แปลงใครแปลงมันเพราะทุกคนมาเพราะคราวนี้เพราะท่านจะเพาะกล้าพวกนี้สามเส้นเนี่ยเพราะกล้าให้เป็นตรงเนี้ยก็ก็จึงต้องเพราะท่านก็ต้องเพาะเพราะท่านแยกร่างไม่ได้คใช่ไหมครับก็ต้องเพาะกล้าที่เดียวกันแล้วก็ต่อไปก็คงมีระยะสองว่าแยกออกไปหรือระหว่างที่นี่ก็ต้องกลับไปเชื่อมกับ ฐานกายฐานมันแต่อโศกแต่ตรงนี้คือองค์รวมของอโศกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับและนี่ก็คือพวกเราที่แวดล้อมอยู่จะมีตัวแทนเข้ามาแต่เมื่อเช้าเราคุยกันเฉพาะราดธานีเรื่องลงสีก็มีกรรมการรวมใช่ไหมครับแต่ต่อไปผมคิดว่าก็ใช้รูปแบบเดียวกันทุกราดทุกอโศกก็เข้ามาก็สมณะก็เป็นสมณะรวมจากทุกอโศกเหมือนกันแต่พ่อท่านก็จะเป็นศูนย์กลางเหมือนเดิมใช่ไหมครับ เพราะว่ามันจะเป็นประเพณีอย่างนี้ค่ะว่าในทุกงานสําคัญของชาวสุขตลอดทั้งปีค่ะก็จะมีการคงจะต้องมีการคุยโ ค, โครงการข้าวแสนตันทุกครั้งที่ได้มาพบกันนะคะครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสรุปว่าอันนี้ก็ที่ถามก็คือไม่ใช่ราฐธนีเดียวนะแต่ราฐธนีเป็นแปลงกล้านเดียวกันที่เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จากร้อยห้าตัวหลือสักประมาณเจ็ดสิบนี่นะครับก็พบตรงนี้เพาะกันได้มากขึ้นร้อยห้าสิบรอคนบอนบอเนี่ยก็ การศึกษาก็ขยายอะไรขยายพอได้รูปแบบได้ข้อตกลงอะไรก็ไปขยายต่อแล้วท่นนี้ก็ก้าวศกก็ได้ก้าวเป็นเครือแห่เดียวกันนี่คือภาพของเครือแห่นี่คือกองทัพคือแม่ทัพแม่ทัพก็คือว่าแต่ละศกก็ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นเครือแห่เดียวกันแล้วก็มีกองประชา ก, การพอท่านก็เป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็พอไปที่รัฐนีก็ม่ิริมเมื่อา ว, าวานเราคุยกันแต่ละรา แ, แต่ละศกก็ไปไปทำรูปแบบเดียวกัน เพราะมีฐานงานและมีฐานการบริหารร่วมกันจะเรียกคำการชุมชนซึ่งเป็นแบบเดิมแต่คำการชุดใหม่ก็ต้องมาจับทุกฐานให้ได้ก็เราคุยไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ภาพรวมวันนี้นี่มันแป๊เป้ารวมของทุกกสอมันก็ต้องใช้องค์กรที่มาจากทุกกสอตัวแทนเข้ามาร่วมแล้วก็เห็นว่าพี่เฉวัตรก็พูดต่อไปจะต้องมีการปรับตรงนี้ยังไงอีกนั่นเป็นเรื่องของเพราะทุกกสอบมต้องมีตัวเชื่อม มีตัวติดตามมีตัววัดผลใช่ไหมครับเพราะว่า oh, วันนี้มันเราพูดเฉพาะแค่ลาดธารีใช่มเพราะนั uh ้น huh. ตรงนี้ก็เช่นกันการศึกษาของแต่ละโศก mm hmm. ก็ต้องเข้าไปช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนต่อไป mm hmm. เมื่อพวกเราจบไปอีกสี่ปีเราก็จะไปเป็นตัวแทนใช่ไหมครับวันนี้เรานั่งสมหวงกันที่ราดธานีใช่ไหมครับเพราะต่อไปก็คือไปการศึกษาของแต่ละโศกที่ต้องไปใช้คนไกขับเคลื่อนทั้งในอโศกและนอกอโศกใช่ไหมมันก็แต่อย่างเงี้ยค่อยคขยายเป็นอะมีบาเป็นเซลล์ ค่ ะ, คะข อ, อการนะคะขอการนะคะขอพูดเรื่องศีลอีกสักนิดหนึ่งค่ะ ค, คือจริงๆแล้วในชาวโศกของเราเนี่ยนะคะเราปฏิบัติธรรมโดยทีเ่เราปฏิบัติใน เ, เรื่องของศีลเนี่ยคะ่ะวิธีการจะประเมินเนี่ยเราจะรู้กันโดยโดยการที่อยู่ร่วมกันของเราเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่า อ, อย่างขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยทุกคนที่เข้ามาอยู่ในเออโศกหรือทุกทุ ก, ทกแห่งเนี่ยค่ะถือศีลห้าละไบยมุกกินอาหารมางสุวิรัตเนี่ยถือว่าเป็นระดับของพระโสดาบันนะคะถ้าใครทําได้นะคะค่ะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่เราจะประเมินกันได้โดยที่ท่านสมณะหรือว่ามิตรที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยค่ะที่เราอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะมันจะมีเกณฑ์ของมันอยู่ค่ะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างให้เห็นเฉยๆนะคะ เอาก็ฝ่ายบวรบรการศารับไปทําให้ชัดแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมก็กล้าโดดน้ำนี่ลงมาในน้ําที่ผมไม่ค่อยรู้จักเพราะั้นไอ้ตัววัดเหล่านี้และเป้าเหล่านี้มันต้องให้คนโศกเองแต่ผมก็พยายามแกะออกมาได้แค่นี้นะครับใช่ค่ะเลยยกตัวอย่างให้อาจารย์เห็นแท้จุดเดียวตรงนี้นะคะบต่นี้ผมย้อนกลับมาสิ่งที่ผมทํำหน่อยวันแรกเราทำอะไรเอ่ยวันแรกขอสักสิบห้านาทีเกิดไปจากสามโมงตามข้อตกลงนีดถึงขอเสียสัจละนะครับขอสิบห้านาทีเพื่อสรุปว่า ขั้นตอนที่ผมทํานี่มีการออกแบบถามก็ ว, วันแรกเราทําอะไรครับตอนแรกเราที่ที่เรามานั่งคุยกันมาแรกเลยอเราหาข้อมูลครับเมาลงสีเหมือนกันเราได้ยินคําเขาว่าเขายัางงั้นอย่างนี้ผมก็หูชาเหมือนกันแต่ผมนิ่งเอาละเดี๋ยวกูเราจัดใช่ไหมครับมันการมีข้อมูลสําคัญไหมในชุมชนเนี่ยแ ท, แทนคำแทนคําพูดคําเล่าลือคำเพ้อเพลิดมัน ข, ข้อมูลข้อมูลข้อมูลมีกี่ชนี้ครับตอนที่เราไปที่หลงศีข้อมูลประเภทนั้นเป็นยังไงครับที่ประจักษ์ประจกักษ์ข้อมูลอะไรอีกที่เราได้มาจากข้อมูลโดยการนั่งคุยกันแลกกันกา ร, การ ไ, ดได้นั่งคุยกันทำให้เราเข้าใจกันัหมใช่ัไไ้ยจากการที่เราเอ๊คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้วันนี้คือใช้ปากใช้การพูดคุยด้วยหัวใจมีหัวใจไม่ไม่ไม่ด่าทอกันนะครับเราใช้อันนี้ เป็นป็นที่2ใช้ประจกไปดูเอาตาไปเบิงเอาเอาตัวไปไปเห็นเอาละแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยสรุปเรารู้จักนอกจากรู้จักได้รู้จักอะไรครับมีสองคำครับไม่เราก็ใช่นี้เรารู้จักเรามากขึ้นแต่ที่เราต้องรู้คือข้อมูลรู้จักใครครับเข า, ขาและเขาถ้าไม่รู้จักเพราะว่าเราคนได้ไหม อันนี้เราต้องค้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คืออะไรครับข้อมูลที่อื่นใช่ไหมครับเพราะเขาเนี่ยรู ก, ก่าวิถูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไอ้นี่เราเราพูดกันเรารู้เรื่องเราไปดูเราเห็นเราได้ข้อมูลแต่ตัวเขาได้ได้ได้ด้วยกันใช้วิธีนี้ได้ไหมส3วิธีได้ไหมสอวิธีนี้ได้ไหมครับไม่ได้ต้องใช้วิธีค้นหาข้อมูลโดยวิธีอื่นใช่ไหมครับวิธีอ่านหนังสืออ่านเอกสารและแต่พอเพลารูปบอกด้วยว่าเหตุการณ์เป็นยังไง ใช่ไหมครับเพราะลูกเขาเรื่องโลกดีกับเราไม่ไช้การรู้จักเขาเนี่ยก็คือสื่อเออยอะไรเออยจากการรู้จักข้อมูลเรามาทําอะไรครับที่เราทํากันแต่วแรกเราเอาเขามาใส่ว่าอะไรเป็นโอกาสที่เป็นหัวใจที่ทุกคนเรียกคืออะไรครับรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นโอกาสไม่ใช่รู้จักเขาเพราะรูไ้ไปเฉยเฉยรู้จักคสอสชเรารู้ว่าคสอสชจะเป็นโอกาสเราไหมใช่ไหมครับขอใช้ตัวโอง่ายๆแล้วก็ตัวอะไรครับที่เราทํากัน หายคู่คานแล้วเรารู้จักเราดีท่านี้จะคุยกันแบบเมาส์กันไปเรื่อยๆเราก็แยกแยะไหมครับตรวจสอบไหมเราจึงได้คําว่าใช้การตรวจสอบในการพูดคุยหรือลงคะแนนก็ได้ใช่ไหมครับจึงได้มาซึ่งจุดแข็งและจุดและนี่สาคัญไหมครับอันเนี้ยคือที่เราตายหรือเป็นมะเร็งกันเพราะเหตุเนี้ยมะเร็งทางใจและมะเร็งทางองค์กร น, นะไม่ใจะมะเร็งของส่วนใคร่วนมันนะเพราะเราก็ทําให้เกิดความตึงเครียดเรียกว่ามะเร็งในอารมณ์ ใช่ไหมครับแล้วก็ให้เกิดมาเรงอ ง, อ, องค์กรองค์กรไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมครับก็กลายเป็นคนเมาหมัดใช่ไหมครับเพราะาเราเราไม่ประเมินจุดอ่อนให้ชัดด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้อันนี้เพรา ะ, ะนั้นเราก็จึงได้มาคําว่า S วอตที่ทุกคนพูด S W O T นะครับอันนี้เป็นขั้นที่อะไรครับขั้นที่2เราจะแล้วตรงนี้เราไอ้ตัวโอกาสที่เราเราเห็นเป็นประเด็นโอกาสไหมจึงรู้ว่าอาโศกเนี่ยเก่งเรื่องอะไร ใช้วิธีไหนจาได้ไหมครับ93ไม่ใช่หัวทุกคนไม่เล่นหัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่93คือการที่เรารู้ว่าเราเก่งอะไรที่ทางคนจะมุ่งไปอะไรจริงไมรู้จักตัวไหนโอกาสไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เรารู้เพื่ออะไรครับนี่โลกกวิถูใช่ไหมครับในในอดีตที่นานาคตใ น, ใ น, านี่งไงเพราะว่านนาคตซึ่งโดยมากเราจะไม่คุย เราจะคุยเรื่องของเราคนไทยจะคุยเรื่องของเราแต่ว่าอนาคตเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้จักโลกโลกกวิถีมันเราต้องหาตัวภัยคุกคามอนาคตและของโลกเราได้ไหมไหมครับได้ไหมได้แต่นี้ไอ้นี่เราได้กันเองใช่ไหมครับจุดแข็งจุดแข็งเราเพื่อมาเอามาทำอะไรเพื่อให้รู้ตัวตนของเราว่าเราเก่งอะไรตัวตนของเราที่แท้จริงเนี่ยมีสองอย่างตัวตนที่ต้องแก้ทันทีเนี่ย อันนี้เอาไปใช้เพื่อการขยายงานที่เราพูดเนี่ยมันคือขายผมฟังเออตอนนี้คือขายมีบอกเป็นจังหวัดน่อันนี้ผมเพิบข้อมูลเขามายิ่งเห็นตัวตนของอโศกชัดใช่ไหมครับแล้วครับโทษครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะย้อนย้อนคืนนะครับว่าที่เราทําทํามาทั้งหมดเนี่ยมันมีขั้นตอกมีขั้นตอนว่าเราแยกเพื่ออะไรนี่เรามีอะไรครับเรารู้จักตัวตนที่ต้องที่จะเป็นมะเร็ง พูดถึงมะเรก็รู้ว่าคือตายแตนี้จากนี้เราไปทําอะไรครับพอเรารู้ว่าเอ้ยนี่จะตายต้องทําไงไอ้นี้จุดแข็งเราจะขยายงานยังไงเราก็เอาเขากับเรามาเขากับเราจึงเกิดปฏิกิริยา ว, ว่ามีีทางเลือกกี่ทางเลือ ก, ก, เ, อกเราจึงเอาทางเลือก <c oughs> เพราะในชีวิตจริงเราต้องเลือกใช่ไหมครับเลือกตามเหตุการณ์ตามฟ้าฝนตามปัจจัยภายนอก เราเลือกด้วยอะไรครับ4ี่อย่างอย่างน้อยคือถ้าเราแข็งจริงแล้วนี่เป็นโอกาสจริงเราทําอะไรครับลุกทางเลือกที่1คือลุกทางเลือกที่2คือรับเห็นไหมครับแล้วอะไรครับลือเพราะไอ้นี่ไม่ลื้อก็ตายใช่ไหมครับละะรรืบ้อลือเพราะว่ามีจุดอ่อนแล้วเลิกถ้ามีทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เลิกนี่เป็นขั้นตอบมังของเราใช่ไหมครับขั้นที่3าแล้วนะหนึ่งสอง ท่านที่3เราทําตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะใช้ทางเลือกอะไรเราดูอะไรเป็นที่ผมไม่ได้ปรึกษาพวกเราแต่ว่าให้นึกถึงภาพคอสชชองหนึ่งเขาทำเขามีจังหวะไหมจังหวะจังหวะจะใช้ลุกหรือลับหรือเลิกหรือลือเนี่ยเขาใช้จังหวะไหมใช่เขาเลือกไหมเขามีไพ่สี่ใบไหมแล้วไพ่ที่ห้าเขาก็มีหมัดเมาแต่เรายังไม่เห็นเขานะเพราะเขาเป็นทหารใช่ไหมไอ้แล้วไม่รู้จะมองหมดัดไปแต่หมัดเมาเขาคือว่าอันที่ห้าคือผสมทุกอย่างนะครับคือหมัดเมา เรายังไม่เห็นเขาแต่เขามีจังหวะในการใช้ลุกลรับตอนนี้เขาลุกใช่ไหมครับลุกนักการเมืองด้วยเขาลุกแสดงว่าเขาประเมินแล้วว่าทุกฝ่ายก็ปปสเสื้อเหลืองเสื้อแดงเท่านี้เองเขายังลุกหมดเลยใช่ไหมครับเขามีข้อมูลทําแบบเราเหมือนกันเขาทํามาก่อนหน้าคงเป็นปีแล้วด้วยใช่ไหมครับเหมือนกันจะเลือกใช้ลุกใช้รับใช้เลิกหรือใช้อะไรเป็นตัวตัดสินใจก็ต้องดูว่าโอกาสมีอปัจจัยภายนอกเป็นยังไงใช่ไหมครับพันอโศกก็ต้องที่พูดมาเนี้พูดในความหมายว่า เรายังไม่ได้ประเมินเลยว่าคอสชอหรือว่าโอกาสที่จะเป็นยังไงแล้วชาวเครื อ, อข่ายจะเอาด้วยแค่ไหนใช่ไหมครับอันนี้คือตัวปัจจัยภายนอกที่จะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราลุกไปได้หรือมันตั้งรับหรือว่าคิดปรับแผนอันที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนไอ้ส่ใสบไพ่4ใบหรือจะใช้ใบไปที่5เนี่ยเป็นเรื่องของการเลือกใช่ไหมครับเลือกตามอะไร <c oughs> ตามปัจจัยภายนอกนะครับที่จะชาวโศกต้องรู้จักประเมินว่าอะไรเป็นโอกาสอะไรเป็นเงื่อนไข เงื่อนไขมาแล้วที่จะใช้เรียกทําไมคอสชไม่ไปฏิวัติตอนเดือนมกรามาปฏิวัติเดือนพฤษภาเขารองเงื่อนไขรอให้พวกเรานวดจนนุ่มแล้วแล้วไปไม่ได้ทั้งคู่จากนั้นกูบอกกูเองเห็นไหมครับเขารอจังหวเพะนั้นเราอย่าโลภโอ๊ยกูจะลุยเจ็ดจังหวัดต้องดูใช่ไหมครับต่อไปเราทำนี้เข้าใจคําว่ายุทธศาสตร์ว่าเป็นทางเลือกหรือยังครับนะครับต่อไปเราไประคัดที่4ทําอะไรครับ วันนี้ที่เราคุยกันพอเสร็จแล้วเราทําอะไรครับที่เมื่อวานเราทําทําอะไรเอ่ ย, ยศึกษาอะอันนี้ไอ้เรื่องเรื่องลงสีเป็นตัวอย่างต่างหากพอเราศึกษาเราก็ทําจังหวะเก้า 9, ใช่ไหมครับเพราะว่าเออตอนนั้นเราต้อง เ, อเรื่องนี้เรื่องที่ห้าสำคัญนี่เรื่องอะไรครับถ้าจะไม่นาโต้ค น, คน พอทอ ง, งอคนทํางานที่อาสายเพราะทุกอย่างทุกหน่วยงานที่หยุดเป็นกระดาษดีเพราะอะไรครับเพราะไม่มาครั้นนี้ไม่หาว่าอะไรคือพลังคือพลังขับเคลื่อนพลังขับเคลื่อนพลังใจหรือพลังเงินหรือพลังอะไรก็แต่ถ้าเป็นธุรกิจก็พลังพลังอันนี้ของชาวโศกมีไห ม, มก็คืออาสากันคณะทํางานคณะกรรมการพอเราได้คนแล้วเป็นไงครับเราก็ โอกาสจะไมไปทางนี้แต่น้อยเพราะตรงนี้มันจะหนุนให้คนทํางานใช่ไหมครับด้วยอาสาพอเรียกคนแล้วอะไรครับกรณีนนลงสีเห็นภาพไหมครับภาพนิ้ทุกกลุ่มไม่ได้ทําแต่ลงสีทํำไหมลงสีทํำให้เป็นขั้นที่เท่าไหร่ครับสถ้าถ้าดึงใจคนแล้วดึงคนออกมาไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นนาโต้แต่ถ้าออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นขับเคลื่อนละครับเพราะพราะขับเคลื่อนก็จะมาขั้นที่เท่าไหร่มิกี้ใครวางแผนเนี่ย ใครวางแผนผมวางหรือพวกเราวางนก็มีเป้าใช่ไหมครับมีเป้ามีรถแบบมีการพรอกลับมาใช่ไหมเห็นนี่ยังครับไอ้นี่คือการที่จะไม่นาโต้แล้วตรงนี้ก็จะมีที่เราพูดกันคือมีรถแบบใช่ไหมครับที่เราองทำวันนี้จบไปยังครับนี่ขั้นที่สามสี่มีคนหาคนคนเราพอไหม ไม่พอเชี่ยวชาญไห ม, ไมชเชี่ยวชาญเฉพาะที่ที่เก่งแต่ที่ไปเก่งก็ต้องหาคนอื่นใช่ไหมเพราะั <Yeah. S 1> ้นมีทั้งคนนอกกับคนในเพั้นถ้าจะถ้าเกิดจะลุกเนี่ยแล้วลุกไม่ได้เพราะว่ามีจุดอ่อนมีแต่คนในก็ต้องหาคนนอกมาช่วย <Yeah. S 1> เห็นไหมครับเั้นมันจะสัมพันธ์กันข้อมูลเพราะฉะนั้นไอ้คำว่านอกหรือในเนี่ยคนที่จะนอกกระสุหรือในกรสุแต่นี้เห็นไหมครับรถแบบขั้นที่เท่าไหร่ครับฮ <Yeah. S 1> ะรถแบบแล้วทําไมอีก รถแบบนี้เราต้องทำอะไรครับที่เราการสรุปมาในสองกระดานเนี่ยอะไรเอ่ยตัวชี้วัดที่เราต้องเพราะเป้าลมเรามีแล้วแต่เราเราต้องถอนเป้ามาให้เป็นตัวชีวัดที่หลายคนไม่เคยถูกวัดเลยใน40ปีเนี่ยใช่ไหมครับ วัดตัวเองวัดตัวเองเองย่ามายุ่งก็มันเกิดเพราะวัดตัวเองตัวเองถึงที่สุดอัตตาก็ ข, ขึ้นขึ้นเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสมณะก็ไม่เคยสอบอารมณ์สมมติอย่างนี้นะเราไม่รู้มหาตัวชีวิตก็ไม่ได้3ปีจะเป็นยังไงหปีที่6จะเป็นยังไงปีที่10จะเป็นยังไงเพราะไอ้ตัวชีวิตนั้นมันจะบอกตามนี้ใช่ไหมครับเข้าใจยังวัดตัวชีวัดสําคัญยังไงอ่าแล้วแล้วใครจะวัดครับคณะกรรมการหรือสมณะ ใชครับถ้าฝ่ายฝ่ายจิตใจฝ่ายฝ่ายบุญนิยมก็เป็นสมณะใช่ไหมแต่ฝ่ายถ้าฝ่ายถ้าฝ่ายเรื่องแต่ละฐานก็เป็นพวกเราเป็นคณะกรรมการใช่ไหมครับพวกเราที่มาเป็นกรรมการมันก็จะวัดสอัประกาใครเรียนการศึกษาก็เป็นาาศาลิลปาจานี่เรื่องบ อ, อบอเรื่องการศึกษาก็เป็นาาศาลิลปาจานมันก็จะวัดสามอย่างเคนจะวัดจะวัดยังไงวัดเออเเอ็งใช้ได้เอ็งใช้ไม่ได้ก็ พูดกันไปเรื่อยไม่ใช่คน3กลุ่มเขาจะมีตัวชี้วัดอันนี้ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปไหมต้องพัฒนาต่อไปไหครับเราะนั้นจุดสุดท้ายคือการประเมินครับการวัดผลประเมินผลเพราะเราทางานไม่ว่าจะ10ปีหรือปีเดียวต้องมีการประเมินผลแล้วก็ทําอะไรครับความรู้เกิดไหมเราก็ต้องสกัดโดยการศึกษาใช่ไหมครับว่าไอ้มันได้อมความรู้อะไรแล้วความรู้เอาไปเข้าขึ้นหีบพิมพ์เล่มแล้วใส่ ห้องสมุดไหมครับก็ไปประยุกต์ในนาในโลงสีของเราในโลงสีแล้วก็ในการสื่อสางเราใช่ไหมครับในลงปุ๋ยในหลักฐานวิชาการเะนั้นไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกาา ก, การจัดการความรู้ก็คือเอากลับไปใช้ใหม่ใช่ไหมครับซึ่งอโศกใช้ตลอดเวลาเพราะผมไม่เคยเห็นโศกหยุดนิ่งเลยใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับอาหารไม่ได้มาเป็นอาหาร แมกโรไบโอติกเลยเห็นไหมครับแล้วมีิมิตีจิตวิญญาณด้วยซึ่งแสดงว่าโศกไม่หยุดนิ่งเพราะโศกใช้ความรู้ตลอดทั้งนอกและในแล้วก็ประยุกต์ตลอดปรับใช้ปรับใช้ใชไอ้คําว่าจัดการความรู้กนะ็คือปรับใช้นั่นเองปรับใหม่เขาเรียกปรับใหม่ไอ้ความรู้เก่าเรามีแล้วก็ความรู้ใหม่ใส่เข้าไปแล้วทดลองบางคนทดลองตัวเองด้วยใช่ไหมครับสรุปเดนนี้ครับ4นี่คือขั้นที่5้านี่คือขั้นที่อะไรครับโอเอามาชั่งใจก็ชั่งได้ ตอนนี้ยังช่างไม่ได้เพราะผ ม, มผมไม่ใช่คนช่างต้วให้สมณช่างพวกเราเตรียมตัวเข้าช่าง<笑><笑>ก็ไปยืนกันเองก็ไปหาวิธีขั้นที่ขั้นที่อะไรครับสุดท้ายเจเจ็แล้ว อ, อะไรครับ น, นี่เอามัก8มาตั้งเลยเนี่ยครับแปสุดท้ายก็คือมาปรับใหม่เราทับการที่เราไม่ทาซ้ําเก่าเพราะเราเริ่มพบแล้วว่าอ่านี่แหละครับคือขั้นที่8เพราะเรามาปรับใหม่ จะปรับเป็นรายปีเป็นราย3ปีก็แล้วแต่ที่ถามใช่ไหมครับหรือรายเดือนปรับได้ไหมครับได้เราทําง่ายคดผู้โอ้มันยาวมันแขั้นแต่เราทําพูดคุปุ๊บค้นพบปรับเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าจะคิดให้เป็นระบบมันมีกี่ขั้น8ขั้นมักแปชัดหรืยอยังครับชัดนะครับที่เราทำมาสามวันเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมไม่อยากสอนทฤษฎีก่อนลุยทำไปก่อนแต่การลุยทำเนี่ยทำทีละขั้นไหมครับ ไปทีละขั้นเห็นไหมครับทีละขั้นละขั้นเรามีเรามีลงสีมาให้เห็นไปรูปไปรมใช่ไหมครับเป็นตัวอย่างว่าเราไปทะลุเพราะว่าทะลุทุกฐานไม่ได้แล้วหนึ่งฟาเสนอลงสีผมก็ลอยลุงสีตามที่หนึงฟาเสนอเพราะมันจะได้ไปเร็วหน่อยเพราะว่าเวลาผมจํากัดเห็นภาพไหมครับเห็นภาพแล้วเห็นว่าจะเป็นนาโต้หรือไม่นาโต้อยู่ที่นี่นละครับ<น>ว่าจะใช้พลังใจหรือไม่เคลื่อนตัวเองต่อครับ ตามเลยครับคือที่ท่านที่ท่านอาจารย์บอกว่ามันจะไม่นาโต้นั้นมันจะเป็นคําที่เราพูดกันบ่อยว่าคําตอบอยู่ที่คนคะ่ะแล้วสเต็ปที่8ดนั่นนะคะสเต็ปที่แปดนั้นถ้าเป็นแปดมาตอมาเริ่มใหม่ได้ไหมค่ะได้ค่ะนี่ไงเพราะมันก็จะเริ่มหาข้อมูลใช่ไหมครับ<ช>มันก็เป็นวนกระบวนการเป็นวงจรนะคะใช่ครับค่ะ ทีนี้สเต็ปที่แปที่ที่อาจารย์บอกว่าเป็นความรู้ใหม่ถ้าเราใช้ภาษานวัตกรรมนี่จะถูกต้องไหมคะก็ไม่ไม่ใช่ของเก่าอ่ะก็คือนวัตกรรมนวัตกรรมนะคะก็คือไอ้ปรับใหม่พูดะสมพยายามพูดชาวพอมัพยายามให้พูดภาษาวิชาการก็คือการปรับใหม่จากความรู้ที่ได้ของเราเองวันนี้การศึกษาต้องทํางานไหมตรงนี้ถ้าทุกคนทำเนี่ยก็คือเป็นนักทำแต่ไม่ไม่ยกระดับความรู้ของตัวเองขึ้นมาแล้วโศกเนี่ยก็ ยกอยู่แล้วโดยไม่รูตัวอโศมก็ทําให้ความรู้นี้แผ่ไปแต่ว่าถ้าโสมอยากจะยกตัวก็ใช้การศึกษาของโสมเนี่ยหน่วยก็อาจจะสร้างหน่วยสรุบทเรียนขึ้นมาพูดคุยขึ้นมาติดตามด้วยแล้วก็ให้รางวัลด้วยวิธีตําหนิเนี่ยเราก็ไม่ใช้เพราะว่าชาวโลกเขใช้กันเราใช้วิธีชื่นชมกันให้ปฏิบัติบุญได้ก็ชมกันแล้วก็ไปปรับใหม่ปรับใหม่ก็หาข้อมูลใหม่มีกี่หลายกลุ่มพูดถึง<ม>ใช่ไหเพราะตรง น, นี้มีปัญหาเรื่องนาข้าว คนพบ ว, ว่าเออยา่ความรู้ก็มีใช่ไหมครับถ้าเปิดไปทีพูดคุยมันก็จะเป็นอย่างงี้แล้วนี้มันคือการเรียนรู้ร่วมกันใช่ไหมครับเกินมาสิบห้าทีสิบคำถามพี่เขาเลยเกินไปนิดหนึ่งผมก็ต้องข อ, อโทษถ้ามีอะไรรบกวนจิตใจทุกท่านผมไม่ใช่ชาวโสกต้องขอไปแล้วก็ขอจบเท่านี้ครับตามสัญญาสามโมงตรง ขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวไปดันเรือกันก่อนก่อนจะกลาวอาจารย์เรียนเสนอว่ามีท่านใดอยากจะพูดความในใจเกี่ยวกับท่านอาจารย์หน่อยไหมคะกับปรากฏการณ์ที่ท่านมาอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เวลานี้ค่ะขอไม่ขครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่ทราบจาเป็นเพราเห็นว่ามีภารกิจต้องไปกู้เรือกันอ๋อเลยค่ะครับเพราะว่าเห็นน้องบอกว่าต้องขอเวลาด่วนใช่กลางเลยเนะ อประชุมช่วงเย็นหชโมงเย็นนะรับขอสักนิดได้ไหมคะพวกเราได้แสดงความรู้สึกเขเจออะไรคะท่านใดช่วงจริงเลยค่ะอาเถาได้ไหมคะมีผู้เสนอว่าอาเถาค่ะชายหนึ่งหญิงหนึ่งกับคุรุค่ะค่ะค่ะตลอดเวลาที่ ได้เรียนรู้กับอยากจะเรียกว่าคุณครูนะคะท่านเป็นครูจริงๆะคะ่ะครูทุกทุกเรื่องทุกแบบว่าไม่เคยได้ฟังใครที่ให้ความกระจ่างขนาดนี้นะคะท่านให้ความกระจ่างมากนอกจากภูมิของเราจะจะรับไม่ได้มากะคะ่ะแต่แต่รู้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเป็นคนมานะคะในเรื่องการถ่ายทอดเทคนิคอะไรต่างๆ ได้ความรู้มากนะคะจนบางคนหนี้นี้ไปฐานงานแต่ใจอยู่ที่นี่ก็มีตอนนี้เขาบทให้ฟังอยู่ค่ะอยู่ข้างนอกตัวเองก็หนีไปฐานงานแต่ก็ต้องรีบมาค่ะก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่ที่จำไม่ลืมค่ะคิดว่าเราต้องนำประสบการณ์บทเรียนที่คุณครูสอนให้ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะคะเอาไปใช้ไม่มากก็น้อยค่ะอย่างน้อยมัน มันติดไว้ในวิญญาณเราแล้วค่ะว่าเราจะต้องนำไปใช้เราคิดว่าเพื่อนร่วมงานของเราคือนักศึกษาทั้งหมดในห้องนี้นะคะและคนที่ไม่ได้มาก็ต้องนำไปถ่ายทอดให้กันและกันเพราะว่าเป็นความรู้ที่ประเมินค่าบ่มีได้นะคะเราไม่ได้จ้างคุณครูแต่คุณครูมาด้วยจิตอาสาจิตสำนึกของความเป็นครูที่เป็นมาแล้วไม่รู้ท่านเป็นครูมากี่ชาติก็ไม่รู้นะคะก็คิดว่าเรา ไม่มีคำขอบคุณใดๆ น, นะคะนอกจากเราจะต้องตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติค่ะกราบขอพระคุณอีกครั้งค่ะครับกรบผมข อ, อกาศนะครับ <c oughs> นับตั้งแต่ผมได้ทราบข่าวขาว <c oughs> ของอาจารย์นะฮะที่ได้เข้ามาร่วมทำงานกับพ่อท่านนะฮะผมเองก็มันเป็นความคิดที่เห็นว่า มันเป็นเรื่องเกินความคาดหมายที่ผมเคยคาดหมายไว้กับงานศาสนาของพอท่านนะครับมิติที่ผมได้เห็นที่อาจารย์มาคือการก้าวนะฮะคือการเคลื่อนตัวของชาวอสุกโดยพอท่านผมเองยอมรับว่าตื้นตันใจนะครับเพราะว่างานศาสนาของพอท่านนั้นผมมีความสํานึก อยู่ในจิตวิญญาณแล้วก็ปราวนาตัวว่าจะมีชีวิตไปทูทุกชาติเพื่อที่จะทำงานรับใช้ศาสนาของพระท่านท่านอาจารย์ได้มาเป็นตัวที่เอาเป็นผู้ที่ได้มาช่วยสารฝันของงานศาสนาที่จะไปช่วยเกื้อกูลมวนุ่นนชาติผมขอขอบพระคุณแทนพวกเราทุกคนครับ ดิฉันขอแถมนิดนึงนะคะว่าครับก็ขอโอกาสทุกท่านครับเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสขึ้นเตียงข้างกันกับอาจารย์เอเนกก็ไม่ได้ไว้าอาจารย์เอเนกป่วยนะฮะก็โดนไฟช็อตด้วยกันก็นอนเตียงข้างกันก็ถามว่ามันจะฮาว โมงแล้วสิบเอ็นิกแล้วอาจารย์ทานข้าวอยังครับยังครับลุงศรีอยู่ไกลไหมไกลครับจะทําไงเดินพอดีแม่เขาก็เอารถให้รถเป็นรถเกียรโติอาจารย์อาานเนกต้องขับใหผมนั่งอีกนะครับผมขับเกียรโติไม่เป็นนะครับก็มาพอไปถึงลุงศรีก็ผมก็บอกอกาจารย์หนึ่งฟ้าว่อาอาจารย์ครับอาจารย์อาานเนกยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับมันเลยไปเกือบบ่ายโมงออกจากลุงศรี นะครับผมここผมเห็นความจริงใจของอาจารย์อเนกที่ที่ต้องการให้กับพวกเราในครั้งนี้นะครส่วนตัวผมเองเนี่ไม่ผมมองสวอตเนี่ยในแง่ลบเพราะอยู่สายของผมผมทํามามันเกินสิบครั้งนะครับเพราะทําแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนะพอมาเห็นอาจารย์อเนกแล้วเห็นความจริงใจแล้วเห็นการสรุปอาจารย์แล้วเห็นความป่วยอาจารย์ที่มีทุ่มเทให้กับพวกเราส่วนตัวผมเองผมตั้งใจว่าจะพยายามทําให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับ อาจารยถอแถมนิดหน่อยนะคะว่าออสิ่งที่ทั้งสท่านพูดมามีใครเห็นด้วยบ้างคะขอมือหน่อยคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวแทนทั้ง3มท่านนี่คือตัวแทนการสแสดงความรู้สึกของพวกเราเหล่านี่สิวอนอ่บอนะคะที่อยากจะให้อาจารย์ได้ทราบว่าความรู้สึกที่อาจารย์ได้ทำให้พวกเราเกิดความรู้สึกเนี่ยมันยิ่งใหญ่ปานใดดิฉันอยากจะแถมข้อมูลให้กับ พวกเราฟังบ้างสักเล็กน้อยว่าได้ยินคุณงามดีงามไ อ, อ้งามดีมากเล่าให้ฟังว่าอาจารย์มีความสามารถแม้กระทั่งที่อาจารย์เขียนภาพเก่งๆเนี่ยนะคะอาจารย์สามารถพัฒนาจนถึงขั้นทําให้แม้กระทั่งผีตองเหลืองยังฟังรู้เรื่องได้เพราะฉะนั้นพวกเราน่าจะมีอะไรที่น่าจะดีกว่าผีตองเหลืองบ้างเพราะฉะมันควรจะต้องได้รู้มากกว่าและสามารถทําอะไรได้ดีกว่าเยอะเลยนะคะนี่คือเรื่องแรกที่อยากจะเรียนให้ที่ประชุมเราฟังและสิ่งที่ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าฝันที่ดิฉันอยากเห็นชาวอโศกได้มีโอกาสอย่างนี้มายาวนานมากและเมื่อวันนี้มันเกิดขึ้นจริงดิฉันก็คงไม่อยากจะพูดว่าดิฉันมีความรู้สึกประทับใจอาจารย์ไม่น้อยกว่าท่านใดในที่นี้และน่าจะมากกว่าสักเท่าใดนี่ไม่ขอบอกนะคะก็ได้แต่กล่าวคาขอบคุณสาหรับสิ่งดีๆที่อาจารย์ให้กับพวกเราขณะ น, นี้ขอบคุณค่ะ และอีกเลือหนึ่งค่ะคงไม่เจออาจารย์พบอาจารย์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะเราหวังว่าจะได้พบอาจารย์อีกหลายๆครั้งขอบคุณค่ะอยากเรียนถามเพื่อนๆนิสิต น, นะคะว่าอยากถ่ายภาพหมูกับอาจารย์ไหมคะอยากค่ะน <c oughs> ะคะมีคนมีคนเสนอว่าเอาตรงนี้ราคะที่อาจารย์